เราเลยตั้งคำถามไม่ว่าชาวพุทธนี่คือใครชาวพุทธควรจะเชื่ออย่างไรคําตอบนี่ก็ตอบได้หลายแง่นะเช่นว่าชาพุทธคือผู้ที่เชื่อในปัญญาพุทตัสทาสตร์ของพระเจ้าชาพุทธผู้ที่ศรัทธาในพระัตนกนรัยชาพุทธที่ชาพุทธคือผู้ที่เชื่อว่า พระนิพพานแั้นเนี่ยมีจริงหรือเชื่อว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันมีจริงคำตอบจะหลากหลายแต่ว่าสิ่งนงที่จะเป็นพื้นฐานนะของความเป็นชาวพุทธก็คือเชื่อใ น, นเรื่องกฎแห่งกรรม แต่กฎแห่กรรมที่เราเข้าใจหรือที่คนส่วนใหญ่เข้าใจนะอาจจะไม่ตรงกับที่พระรูปเจ้าสอนก็ได้แต่การจะต้องถามว่า ท, ทําไมราวพุทธเราจึงเชื่อในกฎแห่งกรรมก็เพราะว่าชาพุทเรามีความเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยจะดีหรือร้ายเนี่ยจะสูงหรือต่ํา ก็อยูที่าการกระทำของเราอย่ที่คำพูดว่ามีช่วยอยที่ตัวทำํำสนตับที่ทําตัวชาวพุทเราไม่เชื่อว่ามีพระเจ้ามาลิจิตชีวิตของเราไม่มีความเชื่อว่ามีพระพรนะที่จะมาลิจิตชีวิตของเราอย่างที่เราผมนึกิตแต่เชื่อว่าชีวิตเราเนี่ยนะ ที่อยู่มีเหตุปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อชีวิตของเราแใจสําคัญเนี่ยอยู่ที่การกระทําของเราเองเรียกว่าชาวพุทธ เ, เชื่อว่าเราสามารถริษิตชีวิตของเราได้เราสามารถริษิตชีิตของเราได้าามาถถด ไ, ดไม่ใช่ปล่อยให้ เจวดาหรือพระเจ้ามีความบันดาลชีพของเรามีพุทธภาษีอันหนึ่งนะที่กล่าวถึงเรื่องของกรรมว่าเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยแต่ว่าอะไรเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยมาเพราะว่าถ้าเราต้องการความสุขความเจริญเราก็ต้องอาศัยกรรมก็คือการการะทําเช่นมีความขยันบมันเพียร มีความซื่อสัตย์สุจริตทำคุณงามความดีศึกษาหาวิชาความรู้พนะระอุสัจจันจ์กรข้อนี่เป็นมงคนอางสูงสุดข้อนพระุสัจจันจ์จักรคือว่าอะไรการเป็นผู้ที่มีศิลปวิทยามากอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเรานะชาวพุทธถ้าว่าเราต้องการความเจริญมั่นงคงหรือว่าต้องการความสุข ในชีวิตเราขึ้นพระเจ้าไม่ได้เพราะเราไม่เชื่อในอนานาจหลงทางพระเจา้าแต่เราต้องขึ้นการกระทาของเราเอ ง, จ, งจึงผู้จาแตว่าเรามีกรรมเป็นที่ขึ้นอาศัยกรรมในที่นี้คือการกระทาของเราไม่ใช่ของใครแากในทางการเราก็ต้องยอมรับว่าในขานที่เราสร้างกรรม กรรมก็กลับ ม, มากลมแต่งหรือว่ามีผลต่อชีวิตของเราด้วยนะคือมีคาว่าเราเป็นทายาทของกรรมนะเราต้องรับผลของกรรมที่เราได้ทาเราสร้างกรรมแ ล, ล้วกรรมก็สร้างเราหรือกลมแต่งเรานะถ้าเราสร้างกรรมดีกรรมดีนั้นก็จะมากลมแต่งให้เราเนี่ยมีจิตใจสงบเยือกเย็น มีจิตใจที่เป็นกุศลเป็นที่รักของผู้คนรวมทั้งมีชีวิที่สุขสงบแล้วก็เป็นพื้นฐานของความเจริญต่อหน้ามิชีนะตอนที่เราสร้างกรรมเนี่ยนะถ้าเราต้องการให้คิดเราเจริญเราต้องสร้างกรรมดี ก็กรรมดีถ้นกิมาปรุงแต่งชีวิตเราให้เป็นชีวิตที่ดีด้วยถ้าเราสร้างกรรมชั่วกรรมชั่วก็กลับมามาปรุงแต่งชีวิตเราให้ตกตา ม, มแยกแยกมีความทุกขนะ์เราสร้างกรรมก่อนแล้วกรรมก็มาปรุงแต่งเราหรือเราต้องรับผิดชอบต่อกรรมที่ได้ทําในคําว่ารับผิดชอบต่อกรรมที่ได้ทำํำนีก่ก็ความหมายมันก็แปลว่าใช้กรรมก็ได้ คำว่าใช้กรรมนี่เราไี่ยิบ่อยแต่ว่าความหมายของมันเนี่ยอาจจะไม่ตรงกับที่เราเข้าใจที่เดย น, นักความหมายหลักเราก็คือว่าเราทํากรรมใดไว้กรรมนั้นก็ผลกลับย้อนกลับมาที่ชีวิตของเราคือย่างเช่นถ้าเราดิ่เหล้าสูบบุหรี่นะการดิ่เหล้ามาสูบบุหรี่เนี่ยเราเลือกเอง แต่สุดท้านมันก็ส่งผลย้อนกลับมาที่ตัวเราคือทําให้เรามีสุขภาพย่าแย่เจ็บป่วยเป็นหลบสุราเรื่องงาตัดแขงหลบถุงลมถุงลมโป่งพองก็ทําให้เกิดความทุกข์ทรมาร์ตไอตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเรียกว่าใช้กรรมนะแต่ไม่ใช่กรรมในอธิชาตินะบาคนไปเข้าใจว่าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยนะเป็นเพราะอีตชาตนะิเป็นเพราะกรรมในอีิชาติ ที่จริงไม่ต้องาหาหสเหตุที่ไหนเลยก็เห็นอยู่ที่ว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ถูกต้องเราเลือกที่จิดื่เหล้าเราเลือกที่จะสูบบุรี่เราเลือกที่จะกินอาหารตามใจปากเสร็จแล้วเราก็เป็นโรคโรคหัวใจโรคมะเร็งตับแข็งถุงนมกงโปงพงเมื่อป่วยอย่างเนี้ยเราเรียกว่าใช้กรรม แต่ไม่ใช่กรรมในชาติทีแล้วกรรมในชาตินี้รุนแท้รง ๆ, ๆเลยตอนนี้พูดถึงเรื่องกฎแห่งกรรมเนี่ยน้ำก็มีอ่าพุทธบาตรเเสี้ยสุกย่อนๆนะว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชัวช่วทําชั่วได้ชั่วเนี่ยนะก็มันก็อยมีความหมายกว้างนะการที่คิดเล่าสูตรปรีนะหรือว่าการที่ กินอาหารไม่ไม่ระมัดระวังตามใจปากเนี่ยอันนี้ก็จัดว่าอยู่ในฝ่ายการรมที่ไม่ดีก็คือตามใจกินเหล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าได้ชั่วก็หมายความว่าสุขภาพย่าแย่ก็ได้ไม่ได้แต่ว่าจะต้องไปขมโมยไปผิดรูกติดเมียใครใหรือไปฆ่าใครเท่านั้น ทำดีได้ดีเนี่ยนะเขาอดีนี่เราเข้าใจเข้าใจถึงว่ามันดีที่จิตีใจมันทำให้ชีวิตของเราไม่มีศัตรูนะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่มีศีลรู้จักเกื้อเฟือเกือกูลก็ย่อมมีที่เป็นส่วนใหญ่ศัตรูก็ยังมีบ้างเพราะว่าคนเราทุกคนไม่ว่าทําดีแค่ไหนก็ต้องมีศัตรูยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าลงทำาดีมาทั้งชีวิตแล้วก็ไม่คิดร้ายใครแต่ก็ยังมีคนหมายปองเอาชีวิตใส่ร้ายนะหรือว่าพยายามลอกฆ่าแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ไม่สามารถที่จะลบความจริงที่ว่าคำาดีย่อมได้ดี ขอบเจ้านะพระองก็ทําดีนะที่จริงพระองค์ไปค้นความดีด้วยซ้ำคืนเหนือดีเหนือชั่วแต่เราก็เลยรูยร้ว่าพระองทําความดีก็ได้ดีนะได้ดีก็คือว่าหลุดพ้นจะกความทุกเข้าถึงพระรุ่งพานจิตรเกษมสารแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีศัตรูไม่มีคนปองร้ายนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของลวดนานาจิตตัง แต่ที่แน่ๆคือว่าร่องได้ดีได้ดีในความหมายโลกๆนะก็คือว่ามีชีวิตที่ผาสุกนะแล้วก็ก็ถึงความสําเร็จของชีวิตก็คือว่าก็ถึงพระนิพพานนะนจากวัฏจักสงสารทําดีได้ดีไม่ได้แต่ว่าทําดีแล้วจะรวยนะต้องเข้าใจบางคนก็จว่าทําไมชันทำดีทำไมถึงไม่รวยอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่อง ทำดีได้ดีนะมันก็เหมือนกั ว, ว่าเราปลูกต้นไม้นะเราปลูกมะม่วงก็ต้องได้มะม่วงอันนี้เป็นกฎธรรมชาติปลูกมะม่วงแล้วได้ทุเรียนก็เป็นไป ไ, ได้ใช่ไหมปลูกมะม่วงก็ตได้มะม่วส่วนปลูกแล้วจะรวยหรือไม่เรื่องนะเดี๋ยวแล้วก็จะปลูกมะม่วงได้ต้องรวยเพราะรวยหรือไม่ขึ้นอยู่กับราคาตลาดราคามะม่วงมันก็ปลูกยางนะ บางช่วงบางสมัยปลูกแล้วรวยแต่บางช่วงบางสมัยเช่นตอนปลูกแล้วไม่รวยเพราะราคายางตกใช่ไหมไอการที่รวยรไม่รวยเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องว่าปลูกยางแล้วได้ยางบางครั้งก็รวยบองครั้งก็ไม่รวยขึ้นกับราคาตลาดราคาตลาดนี่มันเป็นเรื่องของกดของมนุษย์เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้นมา ถ้ามีการกักตุนมีการปั่นราคาราคาก็ตกบ้างราคาก็ขึ้นบ้างอันนี้เป็นเรื่องของมนุษย์แต่ปูกมะม่วงได้มะม่วงในที่นี้เป็นเรื่องกฎธรรมชาติทำดีก็ได้ดีือนกันนะทำดีก็คือทำดีด้วยใจแล้วก็เป็นปกติสม่ำเจ็ น, นส่วนรวยหรือไม่รวยเนี่ยขึ้นอยู่กับสังคมแวดลอมถ้าเกิดทำดีในสังคมที่ผู้คนเต็มไปด้วย วิชาชีเด็ไมไปด้วยคนที่มีวิชาทิ่ถี่หรืออย่างเป็นตำรวจเนี่ยเป็นตำรวจซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าบางเออหน่วยงานนั้นมีแต่คนทุจริงเนี่ยก็อาจจะไม่ขึ้นตำแหน่งไม่ขึ้นหนะรือว่าตำแหน่งนิ่งไปการที่ตำแหน่งไม่ขึ้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าทําดีไม่ได้ดีนะยึงได้ดีอยู่แต่ว่าดีในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่เหมือนอาจจะไม่ตรงกับดีทางโลกดีทางโลกคือว่า เพื่อนตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นพบตรแต่ว่าในพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาในความหมายว่าความดเล่นนี้หมายถึงว่าจิตใจดีชีวิตดีนะมันเป็นกฎธรรมชาติเหมือนกับปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงส่วนจะรวยหรือไม่เป็นเรื่องเหตปัจจัยมากมายทําดีก็ได้ดีแต่ว่าจะรวยหรือไม่ขึ้นอยู่กับสังคมนะท่นนิยมันเข้าใจงั้นทำทาดีแล้วนี่ไม่รวยนี่ จะไปโทษกว่าแห่งกรม น, นะบางทีก็ต้องทวนว่าสังคมเราเป็นอย่างไรนะหรือบางทีก็ต้องดูว่าเราค้าขายเนี่ยเราซื้อสัสจจุลิศกัจริงแต่ว่าเรามีการวางแผนดีไหมค้าขายแล้วไม่รวยเนี่ยไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่าซื้อสัสจจุลิริตไม่โกงนะแต่จะเป็นเพราะว่าเราการวางแผนการค้าการตลาดของเราไม่ดี นะเราไม่มีการทำบัญช่าบัญชีนะเดิั่วไหลนะน้ําไฟก็ปไปให้ลวไหลนะ ไ, ม ไ, ไม่เคยไม่เคยประหยะัดไปซื้อของก็ไปซื้อในแหล่งที่มันราคาแพงแทนที่จะไปซื้อแหล่งที่ราคาถูกดังแบบนี้ต้นทุนก็สูงกําไรน้อยก็ไม่รวยมันไม่เกี่ยวกับเรื่องทําดีเลยนะแต่มันเกี่ยวเรื่องการใช้สมองนะ มันเป็นเรื่องการวางแผนมันเป็นเรื่องการการรู้เช็้หนึ่งทางการค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยทําทําดีแล้วเนี่ยไม่รวยเนี่ยนะก็อย่ไปอย่าไปอยไปอยไปใช้เป็นเหตุผลว่าทําดีแล้วไม่ได้ดีมันคนละเรื่องกันตอนนี้เนี่ยอีกอันนึงที่ต้องเข้าใจนะคือว่าเวลาทําดีนะ มันก็ต้องมีความเหนื่อยยากบ้างเช่นรู้สึกปวงใจว่าวตอนนี้เนี่ยโลกร้อนจำไปต้องปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นนะก็ไปเป็นจิตอาสาปลูกปาไปปลูกปาเีนะมันร้อนใช่ไหมมันเหนื่อยใช่ไหม ขณะที่คนไม้ ป, ปลุกปั่นเนี่ยนั่งห้องแอร์สบายดูโทรทัศน์เขาสบายแต่เราเหนื่อยนะเพราะเรากำลังทําดีก็อย่ายไปบ่นว่าทําไมฉันทําดีแล้วถึงมาลำบากแบบนี้ไอ้คนไม่ทําดีคนที่ไม่สนใจเรื่องสิ่งรอบๆมันสบายอยู่ห้องแอร์ไปช้อปปิ้งนะอันนี้พูดไม่ได้นะเพราะว่าทําดีเนี่ยมันคือการทําความเคียน และคุณเชื่อทำความเคสแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีความเหนื่อยความยากนะจะไปอิจฉาคนที่เขาไม่ทําดีแล้วเขานั่งเล่นนอนเล่นเขาฟังเพลงเขาดูหนังนะแล้วไปบอกว่าโอ้นี่ทําไมทําดีไม่ได้นะดีเนี่ยก็ทําดีทําไมเราเหน่อยไอ้คนไม่ทําดีทําไมมันสบายแล้วก็เลยไปบอกว่าทําดีไม่ได้ดีนะอันนี้ไม่ใช่ไม่กเกี่ยวเลยใช่ไหม เด็กขยันเรียนตื่นตั้งแต่ตีสี่หาหนังสือทำกันบ้านเรือกเรียนแล้วก็มาทำกันบ้านต่อทำรายงานบางทีนอนดึกร่างกาจะาย่ของไปบ้างแณ่ที่อีกคนหนึ่งเนี่ยที่เก่งเรียนตื่นสาย การบ้านให้ทํนะถึงเวลาทำรายงานก็ไปตัดแต่จาก Google หรือไม่ก็ไปขโมยสมุกดการบ้านจากเพื่อนมาลบชื่อของเพื่อนแล้วใส่ชื่อตัวเองเข้าไปสมครูนะคนที่เกียดที่สบายนะสบายนะแต่พื่อนยันนี่ผมเหนื่อยใช่ไหมแต่าถามว่าความเหนื่อยนะี่เป็นเพราะว่าเขาใช้กรรมหรือเปล่า ไอเด็กคนนี้เนี่ยมันตื่นเช้าขึ้นมานะตั้งแต่ตีสี่กว่าจะได้มห้าทุ่มเนี่ยเป็นเพราะมันใช้กรรมัมนถึงลำบากเนี่ยอีกคนหนึ่งเนี่ยสบายใช่ไหมรือเพราะชาตรีเราทำกำรรดีไว้ก็เลยไม่เหนื่อยอย่างนที่ได้ไหมให้เกี่ยวนะคือทำดีเนี่ยมันต้องเหนื่อยนะเพราะว่ามันต้อสู้กิเลสและมันไปนเรื่องการใช้ความเคียร ไอทำไม่ดีเนี่ยมันสบายเวลาเองใครสบายเนี่ยนะพราะเขาไม่ทําหน้าที่เพราะเขไม่ทำความดีเนี่ยจะไปต้องเข้าสงสัยว่าทําไมทาชั่วถึงถึงถึงได้ดีนะเดี๋ยวนี่คนไม่เข้าใจนะเวลาใครเหนื่อยใครยากเนี่ยแต่ที่หมอเออเขากำลังทำความดีนะ เขากำลังบเพ็นบารมีนะนะเขากำลังรวมถึงลงแรงเพื่ออนาคตในรัข้างหน้าเหื่อยวันนี้สบายวันหน้าบางทีไปมองว่าเออที่เขาลาบากนะเปเพราะเขากำลังใช้กำก็มีแต่พวกเราเนี่ยจะมาเชื่อว่าคงไม่มีใครบอกเด็กหญิงก่อนาที่เขาขยันเรียนตื่นแต่เช้าตีสีกว่าจะได้นอนตั้ห้าทุ่การบ้านนะอันนี้เนี่ยเขาเหนื่อยในการเรียนเนี่ยเขาใช้กำเขมมีใครพูดแบบนั้น แล้วก็ชมว่าเออเขาขยันแล้วเราคงจะไม่พูดว่ า, าเด็กเด็กชายคอที่ไม่เรียนนังซื้อนั่งเล่นนอนเล่นนะอันนี้เพราะว่าชาติที่เราทำดีชาตินี้ก็เลยมาสวยผลนะก็เลยไม่เหนื่อยในการเรียนเราคงไม่พูดแบบนั้นใช่ไหมเรากำลังบอกว่าเนี่ ย, ยเด็กชายคอเนี่ยกาลังทำความไม่ดีเอาไว้ก็คือไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่ อันนี้เราเห็นชัดนะว่าทำความดีเนี่ยนะบางครั้งก็ต้องเหนื่อยแล้วนะยี่บำเพ็ญบารมีได้ลแล้วเนี่ยนะมันเหนื่อยแต่บางทีก็ต้องต้องต้องทุกข์ทรมานนะอย่างจะเขาไปสันดอนชัดเขาไปสันดอเนี่ยโอ้ทำความดีใช่ไหมคือว่าทำผูกไล่ออกมาจากเมืองต้องมารออย่าในป่า น, นี้เราท่านใช้กรรมรึเปล่านะทำไมทำความดีอย่างพระเวสสันดรต้องมารอนารในป่านอนการกดีทีการทายชาวพุทธเราไม่ถามไม่ตัง้งคำถามด้วยนะว่าเนี่ยว่าพระวสสันดรเนี่ยกลาลังใช้กรรมแต่มองว่าท่านกําลังบำเพ็ญบา ร, รมีในชาติสุดท้ายนะไม่ว่าจะเป็นทานบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีในขมบา ร, รมี แต่ในนี้เนี่ยอาจารย์บกคนไทยเนี่ยมีความเข้าใจค่าเคกเอมากระหว่างการทำความดีกับการใช้กรรมยกตัวอย่างเช่นมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยนะดูแลภรรยาภรรยาเป็นมะเร็งเธ อ, อผู้ชายนี้ ก, ก็ดูแลภรรยาด้วยความเอาใจใส่ทำงานก็ทำงานหนักกลับมาก็มาดูแล ภรรยาภรรยาตอนหลังเนี่ยก็ถึงขังน้นว่าตองติดเตียงสามีก็ต้องอทำทุกอย่างให้กับภรรยาแม้กระ ท, ทั่งเช็เดที่เช็ดเที่ยวใหนะ้อาบน้ำให้กุ้มลงจากเตียงอุ้มขึ้นเตียงนะว่าทสารพัดเคลื่อนบ้านแทนที่จะชมนะบอกว่าเนี่ยผู้ชายมีการใช้กัน ประชาติแล้วเนี่ยทำกรรมไม่ดีกแบบับภรรยาแล้ชานี่ก็ต้องมาใช้กรรมจริงหรือเปล่านี่เขากันทําความดีนะใช่ไหมใช้กรรมแปลว่าใช้กรรมแปลว่าคุณไม่มีทางเลือกเช่นติดคุกเนี่ยเพราะว่าไปฆ่าคนตาไปโกงเนี่ยนะติดคุกโดยที่ไม่มีทางเลือกอยังไงก็ต้องติดนะป่วยเพราะว่าเป็นมะเร็งเนื่องจาก กินเหล้านะอันนี้ความเจ็บป่วยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่การที่เกิดเลือกมันเป็นของมันเองเพราะอะไรเพราะว่ า, า, วาสูบบุหรี่กินเหล้านะที่การนั่งรถเข็นเพราะว่าขับรถชนต้นไม้เนื่องจากเมาไม้นะอย่านี้พอพูดแล้ใช้กรรมใชม่ไหมเพราะว่าไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดเลือก การที่ผู้ชายคนนี้เหนื่อยเนี่ยเหนื่อยยากเนี่ยในการดูแลภรรยาเนี่ยเขาเลือกได้นะว่าเขาจะเขาจะทิ้งเมียหรือเปล่าแต่เขาไม่ทิ้งใช่ไหมเขาดูแลอย่างที่เรียกว่าใช้กรรมได้ไ ท, ทําทดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เลือกได้แต่ใช้กรรมนี่เลือกไม่ได้นะมันต้องมันต้องจํายอมรับถ้าไม่ถ้าไม่จํายอมก็จะทุกข์ทรมารมันต่างกันนะระหว่างใช้กรร ม, มกับการทํากรรมดี แต่แปลก็มีคนพูดแบบนี้นะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยกำลังใช้กับแต่จะมีเรื่องที่น่าขึ้นกว่านั้นนะั้งอันนี้เพื่อนทาไมาเป็นผู้หญิงเลยนะแม่เป็นอัลไซเมอร์เธอก็มีฐานะดีนะมไม่ฐานะดีเธอมีอาชีพที่มั่นคงแต่ที่สี่ต้องลางต้องต้องทิ้งงานเนี่ยมาดูแลแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์ที่จริงแม่เนี่ยมีลูกหลายคน แต่เธอเป็นลูกคนสุดท้องในสังคมไทยเนี่ยนะลูกคนสุดท้อง ม, มันจะต้องรับภาระซึ่งเธอก็ยินดีนะเพราะว่าเธอเธอไม่มีครอบครัวส่วนพี่เนี่ยพี่ชายที่สามมีครอบครัวแล้วก็มันก็ตรงลงกันว่าพี่จะส่งเงินมาให้เป็นค่ายาค่ารักษาค่าอาหารแน่รวมทั้งเงินส่วนตัวเล็กน้อยสําหรับเธอเพราะเธอที่งานมาเลย ที่แรกเงินก็มาสมครเสมอนะแต่หลังจากที่แม่ป่วยสิปีเนี่ยนะเงินก็ค่อยๆเริ่มพร้องไม่ใช่เพราะว่าพี่สาวพี่ชายฐานะแย่ลงนะก็ยังดีเหมือนเดิมไปเที่ยวเมืองนอกไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวยุโรปนะแต่ว่าเวลาจะขอเงินเริ่มจะข อ, อยากขึ้นเลยเพราะตอนหลังเนี่ยแม่ก็อาการหลักนะจำอะไรไม่ได้เลยนอนติดเตียง ส่วนเธอก็อายุห้าสิบแล้วจะอุ้มแม่เนี่ยก็ลําบากต้องการคนงานต้องการคนมาช่วยนะมาช่วยดูแลรวทั้งช่วยทําครัวช่วยกวาดบ้านด้วยเพราะว่าเธอไม่มีเวลาจะมาทําำอะเรืพวกนี้แล้ว mm. ก็ต้องดูแลแม่ขอเงินที่ก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้เลยนะไม่ใช่เงินทไม่ได้เพรเธอก็ลำบากหลายอย่างนะดูแลแม่เนี่ยที่สชั่วโมงก็ว่าได้แล้วก็ดูแลคุณ ร่างกายเธอก็ห้าสิบแล้วก็มีความเครียดมีความทุกเธอเองก็เริ่มป่วยนะเพราะว่าเริ่มมีเนื้องอกก็ไปปรับทุกเล่าให้เคลื่อนฝังเพื่อนคนนี้ก็รุ่นเดียวกันก็คงสนใจธรรมะด้วยเพื่อนบอกวไว้พนะื่อนบอกว่เนี่ยเธอเนี่ยใช้กรรมชาติที่เราเธอทําผมทําแล้วไม่ดีกับแม่เพราะชาติเธอต้องมาใช้กรรม ถ้าไม่พอมมิบอกอพี่สาวเนี่นะชาติที่เราทําการดีไว้ชาตินี้เลยสบายไม่น่าเชื่อนะคนพูดแบบนี้เนี่ยเป็นชาวพุทธนะและเชื่อมั้งคนที่แบบนี้เยอะมากคนที่ไม่ไม่ไม่ดูแลแม่เนี่ยนะเรียกว่าไม่เคยกตัญย่างนี้เรียกว่าความกตัญญูเนี่ยพร่องนะก็เลยสบายแทนที่จะถูกตำหนิว่าทําไมไม่อยู่ความกตัญญูพ่อแม่อะ่ะ กลับมีคนร้อวงวเออเนี่ยเป็นเพราะเขาทํากรรมดีใชาติทีนี้ชาันเขก็เลยได้รับรางวัลก็คือว่สบายมันเห็นได้ชัดเลยในเรองความที่เขาสบายเป็นพราะเขาไม่ทําหน้าที่นะส่วนน้องน้องผู้สุดท้องเนี่ยนะเขาเหนื่อยยากแทนที่จะชื่นชมก็ว่าเออที่เธอเธอกระตันดูนะหรือแทนที่ร้อนที่เธอกำลังทำความดีนะกต่บไปมองว่าเธอกำลังใช้กรรม ชาวพุดหลายคนเนี่ยมีความคิดแบบนี้มากขึ้นและน่าสนใจคือเป็นคนที่สนใจธรรมะด้วยไอคนที่ไม่สนใจธรรมนะนั่ก็กลับชื่นชมนะ่ะเออเธอทําดีนะ่าดูแลพ่อแม่ฉนันยันทํำไม่ได้แบบเธอเลยแต่คนสนใจธรรมะหลายคนบอกว่าเนี่ยกำลังใช้กรรมมันแปว่าแต่ว่าโดยที่ชาวพุทธชนไม่ร้อยแม้มีความเข้าใจที่สับสนระหว่างใช้กรรมกับทําดีนะฮะ สิ่งที่สิ่งที่น้องผู้สุดท้องทาเนี่ยเขากำลังทากรรมดีนะแต่ว่าบาังเอิญมาทํากรรมดีในสมัยที่ผู้คนเนี่ยตัวใครตัวมันถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยที่ผู้คนยังไม่ตัวใครตัวมันเช่นอยู่ในหมู่บ้านที่มีความรักความสมัครใจเธอคงจะไม่ทำกรรมดก็คงจะมียาบที่น้องมาช่วยบังเอิญ นะมาทำดีในยุคที่มันสังคมเป็นตัวใครตัวมัน mm. ก็เลยต้องเหนื่อยมา mm. นะแต่ความเหนื่อยนั้นเนี่ยเป็นความเหนื่อยเพราะมีเจตนาดีมีความเพียรมีความเสียสละมีความประตังค์ดูต่อพ่อแม่ mm. คนอย่างนี้ควรจะสรรเสริญนะไม่ใช่ซ้ําเติมว่าเนี่ยเหมือนกับว่ากําลังถูกลงโทษนะชาติที่รับการให้ดูชา่างนี่จะ ต, ต้องมาถูกลงโทษ อันนั้นยังไม่ไมเท่าไหร่นะยังกลับไปให้ท้ายนะที่สาว่เออเนี่ยเขากาลังได้รับรางวัลแห่งความดีที่เขาได้ทําเขาไม่ได้รับรางวัลนะเขากําลังทํากันให้ดีหรือผู้ให้เบาหน่อยด้วยเขากลังละเลยการทําความดีคือความประทันอยู่แค่ให้เงินเนี่ยนะมันไม่พอหรอกแถม่ังให้เงินแบบหล่องๆ่องนะ เพียงแค่จะช่วยช่วยน้องสาวเนี่ยหาผลงานแล้วช่วยกุ้งช่วยโงเนี่ยก็ไม่อาจจะเป็นพราความสัมพันธ์ในครอบครัวที่จะไม่ค่อยดีแต่นี้เนี่ยเรื่องของครอบครัวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่หลายคนเนี่ยคนวงนอกเนี่ยกลับไ ป, ปมองว่าน้องสาวกําลังใช้กรรม ส่วนที่ทั้งสาวและพี่ชายนะเขากำลังได้รับรางวัลของความดีที่ได้ทำใะชาติทีละอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมุมมองแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนอะไรแน่นอนสะท้อนเ ห, เห็นว่าคนไทยเดี๋ยวพ่อชอบพึนเนี่ย แยกไม่ออกแล้วระหว่างการทำดีกับการใช้กำังนะเวลาเหนใครลำบากเนี่ยฟันรงเลยคือใช้กังไม่ได้มองว่าเนี่ยการทาความดีเนี่ยการทำหน้าที่เนี่ยมันต้องเหนื่อยก่าคนที่ไม่ทำหน้าที่อยู่แล้วก็เหมือนกับเด็ก น, นักเรียนนะัก เ, เรียนที่เรยนที่ขยากเนี่ยนะมันต้องเหนื่อยมันต้องลำบากกับเด็กที่ขี้เกียจ น, นะอันนี้มันชัดอยู่แล้วแต่ กับกรนี้เด็กเนี่ยนะทำไมเราไม่มองว่าเด็กหญิงกอ่อที่กําลังเหนื่อยเพราะว่าเ ร, รียนหนังสือด้วยความตั้งใจเนี่ยขาใช้กำก็มีใครพูดแบบนั้นก็ชื่นชมว่าเด็กหญิงกอ่อเนี่ยขยันทาหน้าที่รับผิดชอบนะกำลังสร้างสร้างอนาคตให้กัตัวเองส่วนเด็กชายขอเนี่ยที่สบายไปแล้นเนี่ยนะมันไม่ดีหรอกเพราะว่าวันหน้าเนี่ยจะลำบาก แต่ทำไมกรณีพี่กับน้องเนี่ยครอบครัวนี้เนี่ยทำไมเราไม่มองแบบนี้บ้างว่าที่น้องเหนื่อยนะเพราะเขาลังทําความดีส่วนที่พี่สบายเนี่ยเพราะที่ไม่ทําหน้าที่นะไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ายินดีน่าสรรเสริญครณนี้ก็น่าที่ตอบไปนะว่าเนี่ยมันสะท้อนอะไรนะ นอกจากสะทานี้เห็นว่าคนไทยชาวพุทธไทยเนี่ยเริ่มจะแยกไม่ออกระหว่างการทำดีกับการใช้กรรมแล้วเนี่ยมันยันสะทาอนี่เห็นถึงทัศนคติที่มองความเหมือความยากว่าว่าเป็นลบคือเดี๋ยนี้เนี่ยเวลาเห็นใครเหมือยใครยากเนี่ยนะก็จะก็จะมองว่าเนี่ยนะทํากรรมไม่ดีไว้ก่อนใครที่สบายก็มองในแง่ดี อันนี้มาสะท้อนะไรทังมาสะท้อนใ้เห็นถึงค่านิยมที่มองความสบายเป็นเรื่องดีมองความลําบากเป็นเรื่องไม่ดีเพราะว่ความลําบากนั้นเกิดจากการทําความเปลี่ยนแะสดงว่าคนไทยเร า, า, าเนี่ยก็ชาวพุทธเนี่ยเริ่มมองเริ่มมีทัศนเตรียมกายนะชื่นชมความสบายนะส่วนถ้าเป็นความเหนื่อยความยาก เราจะไม่ชอบความที่แบบนี้มาจากไหนจะมาก็ลองสาวดูเพราะว่าอาจจะเป็น library, ป ize, alla, ความความคิดแบบบริโภคนิยมก็ได้บริโภคนิยมก็คือความคิดว่าความสุขจะเกิดได้เนี่ยก็จะเกิดจากการพิเซ่ใยเซ่เกิดจากการที่ไม่ต้องทําชาวพุทธเนี่ยร่อนร่อนร่อนเล่นการใยทำ ส่วนบริโภค่นมยม เ, เล่นเนการใายเสษก็คือว่าจะสุขไดนะ้ต้องมีเศษต้องมีความสบายแล้วคนไทยนีก็เริ่มนิยมความสบายเด็กก็นิยมความสบายทยํายังไงจะได้คะแานดีโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเรียนมากส่วนผู้ใหญ่ก็ทำยังไงทิงจะรวยเร็วโดยที่ไม่ต้องเหนื่อย <c oughs> ก็เล่นการพนันหรือไม่ก็ซื้อหวยไง รวยโดยที่สบายนอันนี้มันเป็นค่านิยมแบบวัตถุนิยมนะแบบบริโภค น, นิยมที่มันเข้ามาในสู่ในหมูชาวพุทธที่เห็นว่าเออใครสบายเนี่ยแสดงว่าเขาทำดีมาก่อนอใครลาบากแสดงว่าเขาคงจะทำอะไรไม่ดีในชาติที่แล้ว เราไม่ได้หม อ, อความเหนื่อยความยากเนี่ยคืออาจจะเป็นการทําความดีและการบำเพ็ญบารมีก็ได้การคือบำเพ็ญบารมีมันเหนื่อ ย, อยแล้วมันยากอยู่แล้วแต่ว่ามันให้ผลเป็นความสุขความเจริญในอนาคตในภายภาคหน้านะตอนนี้เรามีความคิดอีกแบบหนึ่งนะซึ่งใกล้ๆ ก, กันนะ คือความคิดว่าเจ้าไทยป่วยหรือว่าชีวิตตกต่าเนี่ยเป็นเพราะเจ้ากรรมในเวร <c oughs> ป่วยที่เพราะเจ้ากรรมในเวรหรือว่าเคยทําธุรกิจดีเสร็จแล้วทําธุรกิจเรื่องขายไม่ค่อยออกนะลูกค้าไม่หลง <c oughs> ก็สงสัยว่านี่เป็นเพราะเจ้ากรรมในเวรหรือเปล่า ยี่ยงเ่อนนึงเขียนจดหมายมาปราาึกษาทาวตมะทางเฟซบุ๊กขายแบตเตอรี่นะตั้งแต่ตก็ขายดีนะแล้วก็มีช่วงหนึ่งมีเพื่อนเนี่ยเขาเดือดร้อนด้านการเงินเ้าก็ไปช่วยไปช่วยให้คำแนะนำแล้วไปช่วยให้กำลังใจอาจจะช่วยเรื่องการเงินนิดหน่อยจนกระทั่งเนี่ยเพื่อนคนนั้นเนี่ยก็ลืมตาอาปากได้จต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยไม่นา น, ไ ม, น, านไม่นานก็ไม่ทัาบเท่าไหร่นะ กิจการเธอก็เริ่มติดขัดลูกค้าน้อยลงคนมาซื้อแบตเตอรี่น้อยลงเธอก็สงสัยว่านี่เป็นพาะโดนเจ้ากรรมในเวลเล่นงานหรือเปล่าเจ้ากรรมในเรืของเพื่อนคนนั้นเนี่ยพอเธอไปช่วยเขาเนี่ยเจ้ากัรมในของคนนั้นก็เลยหัามาเล่นงานเธอแทนคุณคิดว่าเป็นอั้นหนั้นใช่ไหคือคนร้านนี่นะ ไอการที่ทำธุรกิจเนี่ยมันเริ่มฝืดเคืองนะมันมีสาเหตุมากมายใช่ั้นเช่นเรื่องตลาดผันผวนนะหรือว่าไม่ปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจคุณขายกล้องเนี่ยกล้องที่ล้างดิฟฟิมนะตอนนี้ขายยังไงก็เจ๊งแะเพราะว่าคนเขาไม่เล่นกล้องแบบนั้นแล้วใช่ไหมเขาเล่นกล้องดิจิตอลใช่ คุณถึงคุณจะขยันยังไงจะคุณขายกล้องแบบกล้องแบบล้างดีซีมันนะยังไงก็ไปไม่รอดนะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องทําดีไม่ได้ดีเลยมันเป็นเรื่องเรื่องว่าคุณใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์ตลาดมากแค่ไหนนะถ้าเกิอว่าขายกล้องนะขายกล้องหรือขายซีแล้วเจงเนี่ยนะมันไม่เกี่ยวเรื่องเจาการในเรียมันไม่เกี่ยวเรื่องทําดีไม่ได้ดีจต่มันเกอ่ว่า คุณตาปรลาดไม่ทำแต่อย่างนี้เราไม่ค่อยใช้สติปัญญาไ ต, ตรกองแบบนี้เราฟังโทร ง, ง่ายและเพิ่งเรีนว่าที่อค้าขายไม่เคยได้เนี่ยเป็นเพราะเจ้าการในมีของคนนั้นเนี่ยที่เธอเคยช่วยเนี่ยเข้ามาเล่นงานความที่แบบเนี้อันตรายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อไปก็จะไม่การช่วยใครนะจะช่วยใครแต่ละคนนีกลัวนะว่า ไอ้ที่กขาลำบากอยเพราก็เจัากันในายเวรหรือไปช่วยให้ให้ได้ดีหรือเจ้ากรรมนายคนนั้นมาเล่นงานเดี๋ยวนี้เจ็บป่วยเหมือนกันนะเจ็บป่วยเนี่ยก็มีคำความเชื่อที่แพร่หลายกันในหมู่แพทย์และเพจบาลว่าคนป่วยและสุดท้ายนี่จไปช่วยเขามากนะจะช่วยเขารอดตายแล้วเจ้า ก, กันมนาเวรบางคนนั้นเนี่ยจะโกรธมาเล่นงานเราอันนี้มีหมอถ า, า, ตามตำนานะหลายปีมาแล้วโรงพยาบาลก็ถาม ในต่างวาระกันและเชื่อจริงๆม่ว่ามันเป็นอยนะ่างนั้นแล้วก็ผ่านมาหลายปีได้ทราบเราก็ยังเชื่อแบบนี้อยู่กันจํานวมมากหมอและพยาบาล น, นะและส่วนใหญ่นะก็คือพวกที่ไปปฏิบททนะัติธรรมนะคือพวกที่ไม่เข้าวัดน่ไม่มีความเชื่อแบบนี้นะคราวนี้เนี่ยถามว่าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นเพราะกรรมเป็นเพราะเจ้ากรรมในเวลาหรือเปล่า มีความเชื่อสองอยา่างกหนึ่งเป็นเพราะากรรมไม่ดีนในชาติที่แล้วหรือสองเป็นเพราะเจ้ากรรมในเรือนมาเล่นงานซึ่งมันสำคัญยังเพราะว่าพอทากรรมในชาติที่แล้วใช่ไหมเช่นไปไปโกงเขาไปแกล้งเขาไปตัดมือเขาตัดคอเขาเจ้ากรรมเรือนก็จะมาเล่นงานทําให้ป่วยถามว่าผู้เจ้าสอนแบบนี้ไหมผู้เจ้าไม่เคยสอนเลยนะว่าสุขทุกในปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะกรรมเก่า ผูเจ้าบอกว่าอย่าสรุปแบบนั้นผนะู้เจ้าบอกว่ามีลักที่ข้าพุทธศาสนายอยู่สามรัที่รักที่ที่หนความเชื่อว่าสุดทุกขในปัจจุบันเป็นเพราะการบรลดัพระเจ้าสองสุดทุกในปัจจุบันเป็นเพา ร, ร, ะระาะกรรมที่ทําให้ในช่างปังก่อนสาสุดทุกในปัจจุบันเป็นเพา ร, ระาะไม่มีเหตุไม่มีผลนะชาวพุทธเราเนี่ยนะข้อนึนข้อสามเนี่ยไม่เชื่ออยู่แล้วนะ หรืไม่แน่นะจะเชื่อข้อหนึ่งก็ได้ถึงไปบนบาสานเก่านมากมายแต่ที่เชื่อเมื่อนี่ยก็คือข้อสองคือว่าเอ่ออะไรเมื่อเกิดป่วยขึ้นมาหรือว่าหรือว่าเกิดลําบากขึ้นมาเนี่ยก็จะไปโทษว่าเป็นเพราะกรรมชาติบางก่อนดูเหมันเป็นพูดนั้นจะไม่ใช่นะแม้แต่ความเจ็บป่วยเองเนี่พระเจากก้าประกาศไว้นนะครับความเจ็บป่วยมีหลายสายเหตุ อ้ผู้เจ้าโต้โต้กับพรามคนนึงนะชื่อสรีวักกัตผู้เจ้บาบอกเนี่ยความเจ็บป่วยหรือทุกขเวทนานเนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีลมเป็นสมุทฐานก็มีมีดิเป็นสมุทฐานก็มีแสงผ่าเป็นสมุทฐานก็มีหรือสามอย่างรวมกันเป็นสมุทฐานก็มีสมุทฐานพิชัยเองหรือป่วยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงป่วยเพราะบริหารกายไม่สม่ำเสมอ ป่วยเพราะถูกทําร้ายนะและป่วยเพราะผลกรรมผู้เจ้าแม่ปฏิเสธนะว่าการรมในอดีตเนี่ยไม่มีผลแต่ว่าไม่ใช่เป็นเหตุผลหรือสาเหตุประการเดียวความเจ็บป่วยมีหลายสายเหตุนะไอ้ที่เป็นเพบกรรมในอดีตก็มีแม่ปฏิเสธแต่ว่าไม่ใช่เพียงแค่นั้น หลายสาเหตุเช่นบริหารการไม่สม่ำเสมอเนี่ยก็คือการไม่ดูแลร่างกายไม่ออกกำลังกายนอนไม่เต็มที่พักผ่อนไม่พอเพียงนะดีเส้นผ่สมุดฐานก็เป็นเรื่องของท่านะอันนี้เป็นหลักการแพทย์แผนไทยเป็นเรื่องของดีเป็นเรื่องของสมุดฐานเป็นเรื่องของเส้นะผ่าเป็นเรื่องของลมเพื่าตัวเคมีในร่างกายเนี่ยมันมันแปรเปลี่ยนไป รู้จักเกเบิบอลเนี่ยเขาเลยเลพูดกับพราม์ว่าถ้าถ้าหากว่าไปคิดว่าสุทุกในปัจจุบันเป็นเพราะกรรมในอดีตเนี่ยอันนี้เป็นความผิดของพรามนะไม่ใช่ความเชื่อของเราเพราะฉะนั้นเวาเราเห็นครเจ็บป่วยเนี่ยประการแรกอย่าไปที่ว่าเขากําลังใช้กรรมในปัจจุบันชาติอาจจะเป็นกรรมในปัจจุบันชาตินี่เป็นไปได้นะเช่น กินมากไปจนกระทั่งไขมันเกาะตามเส้นเลือดหรือว่ากินเล่าสูบบุรี่จนกระทั่งตัดแขงหรือว่าถุงลมโป่งพองนะหรือว่ากินหวานมากจนกเป็นเบาหวานอันเนี้ยอันนี้เรียก ว, ว่ากำลังใช้กรรมแต่ไม่ใช่กรรมอะไรดีนะปัจจุบัน อันนี้คนที่คิดว่าเนี่ยจะไปช่วยใครนะเวลาเขาเจ็บป่วยเนี่ยโดยเฉพาะเจ็บป่วยและสุดท้ายเพราะว่าเจ้าการรมเนี่ยจะไม่เล่นงานเราเนี่ยอันนี้เนี่ยมีความเข้าใจผิดตั้งแต่พ้อแรกก็คือไปคิดว่าเจ็บป่วยคนเราเจ็บป่วยเพราะการรมแรงดีแล้วยิง่งเข้าใจผิดว่าถ้าไปช่วยเ้าเนี่ยเราจะเดือดร้อนนี่นก็เป็นการผิดเป็นความเข้าใจผิดข้อที่สอง ซึ่งถ้าเกิว่าคนไทยมีความเข้าใจแบบนี้ต่อไปเห็นคนตกน้ําใกล้าตาก็ไม่ช่วยเพราะว่าไอ้นี่าลังใช้กำเจ้ากรรมในเวรกำลได้ล่นงานเราช่วยมันไม่ได้เราซวยเห็นคนตัวรถชนเกิดอุบัติตเหตนะุกลางถนนจะไปช่วยท น, นะเพราะที่เขากําลังใช้กำเจ้ากรรมในเวรเลนงานเขาเดี๋ยวเราช่วยให้เขรอดชีวิตเราจะซวย ต่อไปนะในเหตุคนกําลังถูกฉุดพลาดค ร, รมดาจารย์ที่เสียงร้อ ง, องอต่ไปช่วยคนนั้นเขากำลังใช้การัตถีตรงเนี้ยชาวติลามคนไปข่มขืนแทมาชาตินี้ก็เดยจะโดนขมขืนเราช่วยก็ไม่ได้เดี๋ยวจเจ้าประเวณมาเล่นงานเราถ้าบุญคิดถ้าคนไทยเป็นแบบนี้มากกว่านี้เมืองไทยเป็นยังไงนะนะมันไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นมนนะเร็งแล้วใช่ไหมถ้าถ้าชาวผู้คิดแบบนี้นะอาตมาว่าอย่าอย่าเป็นชาวผู้ดีกว่า เพราะว่ามันไม่ทาให้สังคมเจริญแต่ทีจริงๆชาบผู้ีจริงๆเนี่ยที่แท้จริงเขาไม่เชื่อแบบนี้นะฮะเห็นใครทุกยากก็ต้องไปช่วยไม่ต้องกลัวว่าจะจะมีโดนเจ้ากรรมนายไปเล่นงานนะเพราะว่าพระเจ้าตรัสว่าทําย่อมรักษาผู้ประพฤตธรรมจะก็ต้องดูตามาตตะเรือนนะเช่นอ่าคนขี่รถชนการถนนเนี่ยเราจะไปช่วยแล้วก็ต้องดูกหมือนว่ามีรถ ด, ดันผ่านหรือเปล่า ใช่ไหมเอ่อเราถ้าเกิดว่ารถมันโปร่งรถมันปลอดเนี่ยถน น, นปลอดเนี่ยเราจะาไปช่วยนะถ้าเราไม่ดูให้ดีเราอย่าไปช่วยเขาเสร็จแล้วเราดูรถชนรถเฉียวเนี่ยจะไปโทษว่าทําดีไม่ได้ดีนี่ไม่ได้นะไอทําดีอะดีแล้วแต่ว่าเราต้องมีสติเราต้องมีความรอบคอบด้วยนะเหมือนกับคุณขยันทางานคุณขยันค้าข า, ขายเนี่ยคุณซื่อ ส, สัตย์จริต คุณไม่โกงภาษีแต่คุณไม่ยูตลาดเนี่ยและคุณขายของไม่ออกเนี่ยจะไปโทษว่า่าคุณทำความผิดเพราะคุณซื่อสั่์มันถึงกิจการเะ็กเหญ่แบบนก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวกันเลยนะงั้นจะต้องรู้จักรยกแยกนะว่าอะไรเกิจากอะไรนะบางครั้งเนี่ย ใครที่ลำบากเนี่ยอย่าไปค่ดว่าก็กำลังใช้กำหรือว่าอย่าไปคิดว่าก็กำลังรับกรรมจากชาติที่แล้วอธิบายยกตัวอย่างเรื่องนันสมัยในมีชาติเรื่องหนึ่งน่ะพระเจ้าเนี่ยเป็นฤาสีแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยก็เดินทเดินจา่าฤิษ์ปล่ามีโยงติดตามมาด้วยคนหนึ่งระหว่างทางเนี่ยได้เสียงร้อง ของเสือลูกเสือมันร้องท่านก็ไปหาที่ต้นเสือเพราะว่าตรงใกล้ๆตรงตรงจังหวัดพิพาเนี่ยมันมีเสือแม่ลูกน้องเนี่ยมันมเึิ่คลอลูกแล้วมันผอมมากเลยมันหิวโซมากได้มันทํำท่าจะกินลูกของมันลูซีก็เลยไปบอกให้ลูกน้องเนี่ยลูกศิษย์เนี่ยช่วยไปหาอาหารมาให้แม่เสือ แต่ว่าไปหานั้นก็ยังไม่กลับแม่เสริมก็กังเดียจะขยุมลูกของมันท่านทำยังไงทราบไหมครับท่านต้องการช่วยลูกเสือแม่ถูกแม่กินท่านทำยังไงครับท่นโดนลงมาให้เสือกินแทนถ้าเรามองแบบาวพุทสมัยนี้แสดงว่านเนี่ยฤษีเนี่ย ชาติที่แล้วเนี่ยคมไปทําที่ดีกับใไอ้ลูกเสือตัวนี้ชาตินี้ก็เลยต้องามาตายแทนมันใช่ไหมแต่มองแบบนี่ได้มนะั้ยก็มองได้แต่จริงๆเนี่ยนะท่านกำลังบำเพ็ญบา ร, รมีบารมมัทธบารมีเลยนะการให้ทานท่านสูงสุดคือการสละชีวิตนะทานบารมีมีสามนะสมมันก็คือให้ให้สิ่งของ ผูกบารมีก็ให้อวยว ะ, ะาบารมัตบารมีก็ให้ชีวิตไม่มีใครบอกว่าฤาสีนี้นะใช้กรรมที่ได้ทำไว้กับลูกเสือในชาติที่แล้วชาตินี้เลยต้องมาตายทางมาไม่มีใครพูดเพราะเราเห็นว่าเนี่ยท่านกำลังบำเพ็นบารมีและการบเป็นบารมีบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องได้ฤาษี หรืออย่างตางๆก็แรกด้วยวัตถุสิ่งของหรือว่าอวัยวะใช่ไมคมฮะแน่อนมาที่ว่ า, าเรื่องกรรมเนี่ยต้องเข้าใจให้ถูกนะต้องแยกแยะให้ถูกระหว่างการใช้กรรมการทำดีกั่ข้อแรกและสองเนี่ยเวลาเจอความผู้ความาบาปเนี่ยยาเพิ่งเอาาะอะอยาเพิ่งฟังทงว่าเป็นเพราะกรรมไม่อยู่ในชาติทีแล้ว นะเจ็บป่วยก็อย่าพูดไปบอกว่าเป็นพร่อกรรมในชาติที่แล้วหรือเป็นพ่อเจ้ากรรมในเวรที่เขาแค้นที่ก็ถูกกระทําในชาติที่แล้วมาเล่นงานนะถ้าเราคิดแบบนี้เรื่อยๆ เ, เนี่ยเรากําลังสมาทานรับที่นอกพุทธศาสนานะนะที่พุทธเจ้าตัดว่าไปที่ว่าสมุทุกในปัจจุบันเนี่ยเป็นพ่อกรรมในชาติที่แล้ว ไม่ได้แปลว่าการรมชาติที่แล้วไม่มีผลนะครมีผลแต่ว่าไอ้กรรมที่มีผลมากกว่าคือกรรมในปัจจุบันนะครับการในปัจจุบันมีผลมากกว่าเราอาจจะทำอะไรไม่ดีเอาไว้ในชาติที่แล้วนะสมมุติจะมีหลายคนเชื่อนะว่าเนี่ยจิตวิการที่ร่างกายเจ็บเจ็บอรอร์รอนแอ ที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนเป็นเด็กกำรรพร้าเนี่ยเป็นครอบค ร, รัวที่ทำในชาตินี้แล้วสมมุติว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะอันนี้มันก็ตอบยากเพราะเป็นเรื่ที่เป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็อย่าไปทอดถอยอย่าไปทอดแท้เพราะว่ากรรมในผีเนี่ยมีผลน้อยกว่ากรรมในปจฐมบันถึงแม้ว่า เราเกิดมาเราจะมีต้นทุนน้อยต้นทุนต่ำแต่ถ้าเราสร้างต้นทุนสะสมต้นทุนเอาไว้เนี่ยเราก็สามารถจะมีชีิที่เจริญองอกงามได้เมืาเหมือนกับนะั้นมีคนเปลีย น, น, นเทียมนะคนหลังเปลียนเทียมนะอาตมาว่าเขาเปลียนเทียมดีเขาเลยไป็นชาวพ้นหรอกเขาเปลียนเทียมเนีน่เหมือนกับเวลาเราถั่วไพนะคบางทีเราได้ไพ่ไม่ดีอ่ะสองสามสี่เลยเงี่ยนะแทนที่จะเป็นแจ็คแบงค์คี ถึงแม้จะได้ไพ่ไดีแต่ถ้าคุณเล่นไพนะ่นั้นเนี่ยไพ่ที่มีที่มีในมือถ้าคุณเล่นดีๆนะมีโอกาสชนะไหมมีใช่ไหมไอ้คนที่ได้แจ็คแมนคิงเนี่ยแพ้ก็มีใช่ไหมเขาเล่นไม่เป็มเนี่ยหรือไม่ตั้งใจเล่นหรือไม่ไดใช้หัวคนบางคนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาตั่วไพ่ที่ไม่ดีมาอย่าไปเสียเวลาปนเพราะว่าทําไมได้ไพ่ไม่ดีอยาไปเสียเวยวัดเด่าอยจะไปเสียเวลาโอบกนวนวาย คุณควรตั้งสมาธิแล้วก็ลองคิดดูว่าไอ้ภัยที่ไม่ดีเนี่ยเราจะทำํำยังไงให้มันให้มันชนะได้อท่ากับ ว, ว่าพวกเราไม่ชอบก็มาพูดเรื่องภัยเนาะก็ก็มาบอก็ ว, ว่าทากลัวก็ได้แม่กลัรอพ่อกลัว บ, บางคนที่นะเครื่องก็ไม่ทรบนะวัตถุดิบก็นะนะไม่เต็มสูตรแต่ทำไมบางคนเนี่ย สามารถจัดปรุงอาหารให้อรอ่อยพวกเราแลายคนเป็นอย่างนี้ก็ได้นะอาหารก็เครื่องเครื่องครัวไม่ครบเลยนะจต่ปรุงอาหารให้อรอดด่อยเป็นไปได้นะแต่ที่บางคนนี่นะมีทุกอย่างครบเลยนะแต่ปรุงไม่ได้เรื่องอาห า, อารอร่อยแม่อรอ่อยยังไม่ได้ที่ว่าคุณมีเครื่องมากแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าคุณมีกลิ่นในการทาครัวหรือเปล่าแล้วไม่ใช่แค่มีกลินะ่นน คุณต้องมีใจใสลงไปด้วยเอาใจใส่ันไปคุณทําด้วยใจรับถ้าคุณทำครัวถึงแหมเครื่องด้วยแต่คุณไม่มีใจรับคุณไม่มีสมาธิทำ ง, งานกับการทำครัวมันก็ไม่อร่อยอาต่ อ, ตรอประทับใจนะมีโยมคนหนึ่งนะคืออาตมาไปประเทศคอ น, น, นคเรนเมื่อสักษามเดือนทีนะ่แล้วนะครับว่าก่อนจะกลับเข้ามาไปพักที่บ้านโยม คนไทยคนนึงสามีเธอเป็นออนไลนฐานะก็พอใช้ได้แต่ว่าเธออยากจะใกล้จะเสียแล้วก็อยากจะเปิดร้านอาหารนะในเมืองทรีเป็นร้านอาหารที่ง่ายดูว่าอาหารตามสั่งแล้วก็เก็บแล้วก็ใส่ใส่หออาไปกินที่บ้านก็ต้องกินที่ร้านจะกินที่ร้านก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะใส่ห่อไป เธอก็เริสนใจในเรื่องการปรุงอาหารมาเมืองไทยก็คอยสังเกตตามร้านอาหารต่างๆว่าร้านทางาไหนอร่อยก็ไปเจอร้านขางมูแห่งหนึ่งแแจ้งวัฒนะอมมาม่าอาซินนี่าเป็นคนเป็นคนปรุงอาหารเป็นเจ้าของร้านด้วยอร่อยเธอคอยสังเกตดูว่าเครื่องมีะอะไรบ้างสูตรมีอะไรบ้างแต่ก็ยังสกว่ายังยังยังไม่เพียงพอ มันจาได้กินหลายครั้งแล้ววันนึงก็เลยไปถามว่าอาม่าเนี่ยกินทําสอะไรถึงอร่อยขาหมูวนะอาม่าบอกใส่ใจใส่ใจคือเครื่องนนะเนี่ยไม่สําคัญจะกระจนะฮะเพราะเนี่ยถึงแนมะ้ได้จะได้เครื่องมาไม่ดีไม่ไม่ครบนะแล้วก็อาจจะไม่ดีแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทําทำด้วยความใส่ใจด้วยใจแ้างเนี่ยมันก็อร่อยได้ ก็เหมือนกับคนเรานะถึงแม้ว่าต้นทุนจะต่ำนะเกิดมายากจนสุขภาพไม่ดีนะจะเป็นพเพราะกรรมอะไรจชาติก็แล้วแต่นะนนั้นยกไปก่อนแต่ถึงหน้า ม, มันเป็นงั้นจริงๆเนี่ยมันก็ไม่แปตว่าชีวเราจะอาบจนถ้าหากว่าเราพยายามทําการดีนะศึกษาหาวิชาความรู้นะมงคลสาที่เจ้ากลับเนี่ยเอามาใช้เลยนะเรื่องแต่การไม่พบคนชั่วการพบคนดี การมีเศษระาดวิทยานะเอามาซักสิทิ์ข้อกรนะพอคุณก็สามารถจะทําให้ชีวิตเจริญสามารถเหมือนกับแม่คัวที่แด้อาหารไม่เครื่องไม่ครบแต่ว่าสามารถจะปอาหารให้อร่อยได้การในปัจจุบันสําคัญกว่าชาพผู้เราต้อเชื่อเรื่องกรรมในปัจจุบันนะฮะอย่ไปอย่าไปอย่าไปยึดติดนะหรือกังวลกักรรมแน่ดีซึ่งเราไม่รู้คืออะไร แล้วการแก้กรรมเนี่ยนะก็คือการทํากรรมในปัจจุบันที่ดีมันแก้ไม่ได้แต่บรรเทาได้นะแล้วถ้าปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนกระทั่งอยู่เหนือกรรมที่ทิ้ดีเข้าไปใหญ่พระอาจารย์ท่านอยู่เหนือกรรมนะอยู่เหนือกรรมดีกรรมชั่วเพราะถ้ายังดับอะไรที่ยังมีกรรมนะมันก็จะต้องมีกรรมเกิดเรามีจําเป็นแดนเกิดเนะี่ย เรามีการเปนแดงเกิเร ว, ว่าต่้งแต่ที่มีกรรมอยู่ไม่ว่ากรรมติดกรรมเาก็ต้องเกิดร่างไปในส่งชราวัยแต่ว่าถ้าพ้นกรรมเมื่อไหร่นะมันก็ได้เกิดก็ไม่มีแล้วนะเหมือนกับมีมกับมีทุ่งนาแต่ว่าเล็ดเนี่ยมันไม่มียางที่มันจะงอกใหม่ให้เป็นต้นได้เนะี่ยสมาคิว่า ประาชนชาวพุทธเนี่ยนะจะต้องเข้าใจนะเรื่องกรรมวิธิตนะว่าเราไม่เชื่อระบบวิธิตนะเราเชื่อว่าเราสามารถลิิตชีตของเราได้ด้วยการกระทําไม่ใช่ด้วยการบนบานสารป่านะไม่ใช่ด้วยการิีบอลร้องขอเทวดาเราสามารถวิธีชีพของเราได้นะไม่ได้แปลว่าจะต้องรวย แต่ว่าสามารถทำให้ชีามีความสุขได้และทำดีแค่ไหนก็ต้องยอมรับน้องมันต้องแก่มันต้องเจ็บต้องป่วยไม่ใช่ว่าทำดีแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ใช่นะทำดีก็ต้องมีคนชังทำดีก็มีคนตำหนิพรู้จ้าเป็นตัวอย่างและเวลาทำดีแล้วไม่มีคนเห็นทำดีแล้ว ม, มีคนตำหนิก็ถืว่าเป็นธรรมดา จะไปเรียกร้องค่านความดีมากจนเกินความเป็นจริงไปแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมนะไอ้คําตำหนินั้นะก็จะไม่ทําให้เราหวันห่นไหวไม่ทําให้เราเป็นพุ่งใส่ร้ายา ย, ยังไงใจก็เป็นปกติจะป่วยยังไงก็ป่วยแต่กายใจไม่ป่วยนะจะไปคิดว่าเราทําบุญทำกุศลมาตลอดชีวิตทําไม ทำไมถึงต้องมาเจอเรื่องร้ายๆแบบนี้เช่นอาจจะเจอน้ำท่วมหรือว่าเจ็บป่วยเมื่อสักสี่สิบปีที่แล้วยัง ม, มีไฟไหม้ใหญ่ที่จังหวัดสุรินทร์กลางเมืองเลยมีผู้คนสิ้นเนือประดาตัวหลายพันคน ก็มีคารวาหลายคนมาตัดพอ่อลูกปูตูลูนปูโูนัตในท่านอยู่วัาบุรพาราเป็นลูกศิษย์ของคูมัน่นว่าพ่อแม่เขาตั้งแต่คูู้ยอดใจยาท่านทำความดีมาตลอดทำบุญทำบุศนพ่อเขาก็พ่อแม่ก็ทาบุญทำบุศนเขาเองเนี่ยกรสินผ้าป่าไม่เคยขาดถวาสังฆทานเป็นประจำทำไมต้องมาเจอแบบนี้คือว่าทาไมโดนไฟไหม ทำไมบุญไม่รับษาธรรมะไม่คุ้มครองต่อไปนี้ไม่เข้าวัดแล้วไม่ทำบุญแล้วทาดีไม่ได้ดีเราจะตอบย่ายังไงนะถ้าเกิดมีคนมาตัดก้อหรืออุปสร อ, อย่างนี้ผูุ้นตอบว่าธรรมะมันไม่ได้มีหน้าที่อย่างนั้นแล้วท่านบอกไฟมันทาหน้าที่ของมัน แล้วก็ขยายเพิ่มเติมว่าความที่บาดความอัตราทานควา ม, มความพันพาความสูญเสียมันเป็นสิ่งประจําโลกผู้รู้ทางผู้ใฝ่ธรรมเมื่อเจอภาวะแบบนั้นวางใจอย่างไรจิตจะไม่ทุกข์นี่ต่างหากที่เป็นหน้าที่ของธรรมะไม่ใช่ว่าธรรมะจะทําให้ไม่ป่วยไม่หิวนะไม่ไม่สูญเสีย ต้อเข้าใจนะฮะว่าบุญกุศลเนี่ยมาไม่ได้แปลว่าจะป้องกันไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยได้ไปตลอดบุญกุศลไม่ได้ว่าจะป้องกันให้เกิดความเสียหายความทุกข์รมารยใครที่มีพ่อมีแม่เสียวันพ่อมแม่ก็ต้องจากเราไปใครที่มีลูกสวรรันลูกลก็ต้องจากไปถ้าไม่ก่อนก็หลังเราแค่นั้นแหละใครที่มีใครที่เกิดเราก็ต้องแก่ต้อเจ็บต้องป่วยไม่ใช่ว่าทําบุญ แล้วแม้แก่ไม่เจ็บแม้ปวดแม้ทำบุญแล้วนี่ไม่เจอความคล้าคลาแต่ทำบุญเยอเๆนี่ไม่พอนะต้องปฏิบัติกรรมต้องสึกใจด้วยกรรมเนี่ยนะไม่ได้หมายถึงกรรมดีนี่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าทำดีเช่นให้ทานรักษาสี่่เท่านั้นนะแต่ยังหมายถึงว่าการฝึกจิตให้มันดีด้วยนะทำดีได้ดีเน่นั้นก็ใจเราไม่ได้หมายแปลว่าการทำบุญทำกุศลเท่านั้น ไม่อยากมายุการให้ทานรักษาศีลเนั้น แ, แต่รู้มายการ ท, ท, ทําจิตให้ดีคือภาวนาภาวนาจนเกิดปัญญาเห็นความจริงของชีวิตเห็นความจริงของโลกว่าเกิดมาแล้วก็ต้องแก่แล้วเจ็บต้องป่วยต้องตายมีความาพัดพลาดเสียนเสียนหลายคนเมืม่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ตวจิตมานอยูมั น, มนแล้วก็มองเห็นว่ามันเป็นธรรมดาเมื่อไป็เกิดขึ้นใจก็มไม่ทุก เพราะมันเป็นธรรมดาหรือเพราะว่าไม่ได้ยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นของเราบ้านของเรารถยนต์ของเราทรัพย์สมบัติของเราเพราะรั่ามันไม่เหนียวเช่นเดียวกัเราเมื่อปล่อยวางได้ใจก็ไม่ทุกข์ไอ้ไฟไหม้เจ็ดป่วยเนี่ยจะเกิดพเพราะใหญ่ใด ก, ก็แล้วแต่อาจจะเกิดเพาราะกรรมที่ทําในชาติที่แล้วก็ได้ อาจจะเกิดจากสมมุติเจ้ากรรมในเวทมาทำก็ได้หรืออาจจะเกิดความบกครองความประมาทของเราก็ได้แต่ถ้าเราฝึกใจจนเห็นความจริงเข้าถึงธรรมเกิดอะไรขึ้นใจก็ไม่ทุก ต, ตรงนี้สำคัญนะฮะเราต้องฝึก เวลาถึงกรรมดีเนี่ยต้องรวงการสึกใจจนเห็นความจริงชีวิตจนจิตเนี่ยเกิดปัญญาไม่ยึดมันถือมั่นในสิ่งทองปรุงรู้จักปล่อยรู้จักวางได้เมื่อถึงตรงนั้นอะไรเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นเพราะกรรมในชาติที่ล้าหรือกรรมในชาติปจุบันเชน่อาจจะเคยกินรอดสุบุรีตอนหลังกลับมาปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วเนี่ยโลก ม, มัน ตามมาเป็นมะเร็งบางทีเป็นมะเร็งตอนที่เป็นพระแต่ว่าถึงตอนนั้นเนี่ยมะเร็งทําอะไรให้ใจไม่ทุกทําอะไรจ้ให้ใจทุกข์ไม่ได้เพราะว่าได้ได้ทําการคือการปฏิบัติธรรมบำเพ็ิปัสนาจนกระทั่งไม่ยึดติดในร่างกายกายป่วยก็ป่วยไปแต่ว่าใจไม่ทุกข์แล้ว อันนี้จะเรียกว่าเป็นเป็นพิธีการในการชนะกรรมหรือชนะวิบากก็ได้มันใช้มันใช้กรรมแต่เฉพาะกายที่ต้องใช้กรรมแต่ว่าใจที่ไปถูกแล้วเพราะว่าได้สร้างกรรมหมที่ทำให้มีเครื่องรักษาใจ อ, อันนี้ดูสิ่งที่คือกรรมดีที่อยากจะให้พวกเราคำนึงถึงมากๆแล้วก็พอสมควรกัเวลานะถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็ขอเชิญ ได้เรขอขอพคุณลายสามมานะครับที่เมตตาเมตต า, าทำตอนนี้นะครับพาจารย์ก็เปกกิดโครงการให้พวกเราด้นะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาเ ก, กี่ยวกับการปฏิบัติในการใช้ชีวิตะระับก็สามารถสอบถามได้าแต่แม่นุช่าให้ถามเปินตัวนะครับเพราะ น, นีกับว่าที่ชมทมางว่าอันนี้ก็มีช่องห้า าทาธรรมนะครับทางการลายการธรรม ต, ต่างๆทางธรรมดังนั้นผู้ชมถามว่าจะไม่ได้ยินการถานะครับข้อาะคำถามที่มาผู้ชี้คอนนะครับดังนั้นก็ท่านใดต้องการกระดนะครับก็ยังเคยเคลื่อนนะครับเดี๋ยวชนที่เจะอาไปให้คําถามทางด้านก็จะเกิดประโยชน์กับผู้ชมทางว่าด้วยนะครับเจ้าที่อยู่ด้านหน้าด้วย นี่นะครับอาจารย์งเบตาเอาหนังสือธรรมะมาเจกครับก่นะครับเพื่อเพิ่มรีตกับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้หนังสือท่านนะครับมาลองวันนี้นะคราบธรรมะทีกของอาจารย์ผมดีใจีชีตประจักษปครับความเชื่อความเหงาเลยนะคร th ับเมื่อเราเป็ชาวผู้ที่มีปัญญานะครับก็ขอการสรรเสริญที่อาจารย์ แ น, น่อนอเราไม่ใช้คนเดียนะครับเมื่อกาเป็นเรื่องที่เราทำ ถามว่าเจ้ากรรมในงินหรือไมอย่างไรเจ้ากรรมเจ้ากรรมในเงนเนี่ยในในคัมภีร์เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้นะก็คือว่าอย่างเช่นมีเรื่องเงินเนี่ยนะเนี่ยมันออกใคร นะเป็นประจำเลยนะแล้วก็แต่ว่าขายเนี่ยไม่เคยได้จุกว้าเป็นตัวสักทีเพราะว่ามีคมนไ่ชอบออกขายทกินแม่ไ ก, ก่ก็ก็ไม่พอใจแล้วก็เจ็ดแทนพอนะตายไปเนี่ยนะก็ไปเกิดนะเป็นเป็นเอ่เป็นเสือส่วนผู้ชายคนนั้นเนี่ยพอตายไปนะ ก็ไปเป็นไกน่แล้วก็ถูกเสือขย้ำคือมันจะนรัศมีคือมีการนี่คือเจ้ากรรมในเรือนในความหมายที่ว่ามีความแค้นที่สะสมกันมาจากชาติที่แล้วแล้วก็มาเบียดเวียนกันแล้วก็จะกลับไปกลับมาเนี่ยนะพอถูกเบียดเวียนเข้านะแข็งชายคนนี้พอการพอการลูกไก่พอการลป็กไก่วก็ถูกเสือกัด น, นพอชาติต่อไปนะ ก็ไปทำร้ายนะไปทำร้ายสัตว์ที่มันเคยเป็นเสือในชาติที่แล้วก็จะเรียกว่าเป็นการแก้แค้นกันไปกลับไปกลับมาอันนี้นเรียกว่าเจ้ากรรม น, นายเวรได้ก็คือว่าเป็นเป็นคนหรือเป็นสัตว์นะที่มีความมุ่งร้ายมีเที่ยบปาก อ, อันนี้เรียกว่าการจองเวร มันไม่ใช่เป็นอะไรลึกลับบางอย่างเช่นเป็นปีเป็นสามที่จะมาทําให้เจ็บป่วยดแต่นี้เวลาดูเจ้าการเงิเราจะนึกถึงพลังลึกลับบางอย่างพลังมืดนะที่มันไปทําให้เราเนี่ยเงียนเป็นไปแต่ที่จริงเนี่ยมันเกิดมันก็คือการมันก็คือคนหรือสัตว์ ท, ทิ่ที่มาจองเงิกับเราเพราะว่าเราไปไปจองเงินเข้ามาต่ออันเนี้ยมันมีอยู่แตว่าเจ้าการานจริงจิงเนี่ยมันไม่มีใน มันีคำใหม่นะมันไม่มีในใ น, ใ น, ใ, นในภาษัพื้นกันนะแต่เป็นการที่เราเพิ่งเพิ่งที่กันมาในช่วงหลังนี้ครับคำกามถ้าต่อไปครับ่าจารย์กาปวดใจไม่ปวดคืออะไรชครับหมายความว่าเวลาอย่างเช่นตอนนี้สมมติคุณเกิดปวดเกิดเมื่อยขึ้นมาเนี่ยจริงๆไม่ใช่คุดปวดหรืเมื่อยนะแต่เป็นกายเป็นขา เป็นมือที่มันปวดที่มันเมื่อยแต่ถ้ า, ากว่าใจคุณมีสตินะดูเวทนานั้นดูความปวดนั้นเนี่ยใจก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ของใจเกิดขึ้นเมือ่อใจไม่มีสติแทนที่จะเห็นความปวดก็เป็นผู้ปวด อ น, นี่แหละคือความหมายว่ากายป่วยใจไม่ป่วยความหมายจริงๆ ท, ทาได้หลายระดับนะเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มามาจากที่พุทธเจ้าได้สอนอุบาสกคนชื่อว่าพุกุลกิตาพุทธเจ้าแล้วพุกุลิตาที่ป่วยนะพุทธเจ้าก็ไปให้คําแนะนําแล้วก็บอกว่าเนี่ยแม่กายป่วยใจอย่ยให้ใจป่วยด้วยแม้กายถูกโรครุมเร้าอย่าให้ใจถูกโรคภุมเร้า แล้วุณดาได้ฟังก็มีความผิดติดใจใสยขึ้นมาเมื่อไปเจอพระสารีบุตรก็เลยคุยเรื่องนี้พระสารีบุตรก็อธิบายว่ากายป่วยจะไม่เปิดแปลว่า อ, อ, อะไรอันนี้ท่านอธิบายในความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดหมายเขาว่าเมื่อไมายึดมั่นถือมั่นว่ากายนี่เป็นของเรารูปนี่เป็นของเรานะเมื่อรูปนี้แปลควนไปนะก็จะไม่มีความโศกความขั้มคร่ำครวญ มีทุกโทมั้นั้แต่อย่างใดนะอันนี้คือความหมายว่ากายป่วยใจไม่ป่วยและที่ไม่ป่ปวยเพราะใจไม่มีความผมั่นถือมั่นในรูปนี้ในกาลนี้ว่าเป็นเราของเราอันนี้ยากหน่อยนะแต่ว่าอย่างน้อยมีวิธีการที่ง่ายแบบนั้นนะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นก็คือการที่มีสติเวลากายปวดนะจะไป ถ้าคุณไม่มีสติว่าอะไรคุณก็จะไปคิดว่าฉันปวดฉันปวดแต่ถ้าคุณมีสติคุณก็จะเห็นว่าเออกายที่ปวดแต่ว่าใจไม่ได้ปวดด้เริ่มจากการฝึกตอบเวทนาของเราฝึกจากความปวดความมั่วยังไม่ต้องถึงยความความปวดเราแค่ปวดแค่เมื่อยก็ลองดูมันนะจ็เพราะว่ามันมันปวดที่กายแต่ใจยเป็นผู้ดูเวลาปวด เวลาปวดหรือเวลาเจ็บเนี่ยนะมันเกิดขึ้นกับกายถ้าเรามีใจเป็ผู้ดูนะใจก็จะเป็นปกติแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ยอมใจแทนที่เปผู้ดูนะก็ไปร่วมทุกข์กับมันไปร่วมเจ็บกับม น, นะอันนี้เรียกว่าขาดทุนนะอันนี้เรียกว่าไม่รักตัวเองเพราะว่าถ้าปวดทุกคน ป, ว ด, ปวดอย่างเดียวจะปวดกายนะ ถ้าใจเป็นผู้ดูเนี่ยมันจะไม่ไปไปไปไปร่วมจมร่วมทุกข์หรือจมทุกข์กับกายได้ลองฝึกเอาไว้นะมันทําได้นพูดง่ายเนี่ยหนูก็เขียนให้ใช่ไหมว่าเห็นแล้วก็ไปเป็นเห็นความปวดเป็นปู้ปวดหรือว่าต้องรู้ทันใจเวลาใจมันทุกข์ใจมันโกใจมันโมยวายเขาปวดเขาเมื่อยเวลาใจมันเกิดโทสะให้คุณไปสติรู้ทันอาการของใจอย่างนั้น มันจะช่วยทําให้ใจมันสลบาบรึบูรณติและกลายจะยังปวดอยู่ก็ตาม ค, คำถามข้อต่อไปท่านอาจารเมื่อเราเจออะไรดีๆแล้วอยากจะบอกให้พูดเป็นเพื่อนทราบหรือว่าเป็นความเมตตาหรือที่ไหนครับอ่ามันมันเป็นไปด้สองอย่างฤทธิเ์เริ่มแรกอ จ, จะเกิดจากความเมตต า, คว า, ตาความปรารถนาดีแต่ว่าลึกๆอาจจะมีความอยากจะโชว์ว่าเออ อยากจะโชว์ว่าเราเก่งหรือว่าหรืออาจจะไม่ได้อยากโชว์แต่ว่าอยากจะให้เขาเห็นเหมือนเราแล้วก็ดีมุหรือว่ารู้สึกดีเหมือนเราสมมุติว่าเราแนะนำสิ่งดีๆให้เขาเนี่ยแต่เขารู้สึกเฉยๆเนี่ยเราโกรธไหมถ้าเราโปรดแสดงว่าเนี่ยเรามีอัตราใช่ไหมเราอยากจะให้เขาชื่นชมนะเชียร์หรื อ, อดีใจนะในสิ่งที่เรายื่นให้เขานะ แต่พอเข้ารู้สึกเฉยๆเพราะเขาขอาจจะเคยเห็นมันแล้วเราเสียใจไหมเราผิดหวังไหมถ้าเราเสียใจกราผิดหวังแซมมันมีเรื่องหนักตาเขา้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมหรือว่าอยากจะให้เข า, เ, าเห็นด้วยกับเรานะปรารถนาดีนะอยากจะแนะนํานเขาแต่เข า, เาไม่เห็นด้วยกับเราเราก็โปรธนะอันนี้แ่ามันมีเรื่องความมีเรื่องหนักตาหรือความเป็นตัวเข้ามาด้วย ลองสังเกตดูใจของเราเราทำไปด้วยเพื่อความรู้สึกใจใจเพื่ยเมตาาตาหรืออัตต า, าการท้าต่อไปกรรมฐ า, า, านการท้าถึงผลงกรรมในอดีตชาติจะเป็นอุสรบายเพื่อให้คนโตในชาตินี้แล้วก็วาเป็นบารมีเพื่อสะสมบุญในชาติหน้าเป็นไปได้หรือไม่ครับ่าได้เป็นไปได้มันอยู่ที่ว่าเราจะเราจะพูดอย่างไรแต่ก็ต้อง ก็ต้องเผื่อใจว่าคนก็าอาจจะเข้าใจเกินเลยไ ป, ไ ป, ไ, ปไปมากกว่าที่เราพูดเช่นเวลาเวลาเกิดอุปสรรคเกิดความยากลำบากก็จะคิดแต่ว่าเป็นเพราะกรรมในชาติที่แล้วไม่ได้ไตรตรองให้ดีว่าเป็นเพราะกรรกรรทำในปัจจุบันพเพราะแเป็นกรรมในชาติที่แล้แวเป็นเพราะกรรมในชาติทีแล้วเนยก็เลยงอมืองอเท้าไม่ทิ้แก้ไขเพราะว่าทำอะไรไม่ได้นะใช่ไหมแต่ที่จริงเนี่ยอาจจะเกิดจาก การที่เราเกิดจากการกระทําองเรในปัจจุบันเราจะไม่ไตร่ตรองดีพอไม่รอบคอบเพียงพ อ, พอหรือว่าเรายังไม่ไม่ศึกษามากพอแต่ถ้าเกิดเราแก้ตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้เฉะั้นคนเราถ้าถ้าเราเมาว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นข้อกรรมแล้วเนี่ยมันก็คือยอมรับอย่างเดียวมันจะไม่มีความพยายามที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นซึ่งอนนี้เนี่ยสามารถทําให้เกิดปัญหาได้ครับ คำถามถ้ต่อไปคำถามเมื่อเราเจออารมณ์หลายอารมณ์กับทุกกนจากขอเ น, นื่องทำอย่างไรให้เราไม่ือหรือจมในอารมณ์นั้นวงเล็บความรู้สึกตัวของหนูตอนนั้ น, นมันไม่ทำหน้าที่เจ้าสาววิธีที่จะช่วยได้เร็วนะก็คือว่าพยายามปรีตัวหรือตัดการ เรารู้อาบน้ำนั้นใช่ไหม อ, อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะเช่นเกิดมันมีเกิดไปทะเลาะใคร บ, บางคนเนี่ยเราเราโกรธมากเนี่ยเราอยากจะดา่าเขานะแต่สติเรายังอ่อนอยู่วิธีที่ง่ายสุดคือว่าเราก็ออกจากที่ทั้งไปนะอาจจะเข้าห้องนาอ้าหรืออะไรไปเนี่ยเพราะว่าถ้าเรายังอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะโับโผล่เราจะห้ามใจไม่อยู่วิธีนี้ก็คือเป็นการ พาตัวหลีนี้ออกจากอารมณ์ที่มากระทบนะซึ่งมันก็มีวิธีการหลีนี้อารมณ์ที่มากระทบได้หลายอย่างเช่นเอาตัวหลบออกไปจากที่นั้นหรือถ้าตัวยังอยู่นะแต่ว่าใจไม่รับรู้เช่นเอาใจอยู่กับลมหายใจการที่ใจอยู่ับลมหายใจก็ไม่รับรู้อนะไรหายใจเข้าเรื่อยหายใจ ย, วยาวๆอันนี้ตัวยังอยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าใจเนี่ยมันมันไม่รับรู้อารมณ์ แต่วิธีที่ดีสุดคือว่าแม้มีอารมณ์มากระทบแต่ว่ามีสติรู้ทันนะอะไรมากระทบก็ตามเนี่ยมันก็หยุดแค่ตรงที่ตัวรู้ไม่ทะลุลงมาถึงใจให้เป็นทุกข์นะตรงนี้สติสำคัญมากนะส่วนใหญ่เนี่ยคนเราคนเราทุกข์หรือว่คนเราถูกอารมณ์ครอบงาเพราะว่าลืมตัวคนเวลาโกรธเนี่ยลืมตัวนะคุโกรธ ที่มันมีความหลงอยู่ด้วยนะแต่ว่าหลวงเนี่ยมันอยู่ลึกกว่ากว่าความลืมตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคนเวลาโกรธคนเวลาเศร้าเนี่ยคนเวลาทุกข์เนี่ยเขาลืมตัวนะเขาจะเขาจะไม่รู้ตัวเขาฟังโกรธนะอย่างเราทักเขาในวันนีเ้เธอกำงเครียดนะก็จะบ่วาฉันไม่เครียดเราก็ทักว่าเธอเครียดจริงๆนะฉันไม่เครียดที่เธ อ, อกำลักลัวนะกูไม่กลัวเพราะว่ากูไม่โกรธ คือเนี่ยคม่คนคนเมาเล่าเนี่ยก็บอกว่าอ้วไม่เมาอัวไม่เมานะแต่มันเมาว่ะไปถามคนบ้านเราเถิดบ้านนะเาก็ไม่ยอมรับเขาบ้ า, นะบาใช่ไหมคนบ้าที่ไหนจะยอมรับหรือรู้ ต, ตัวเป็นบ้านคนโกรธก็ไม่รู้ตัวเป็นโกรธนะคนเศร้าก็ไม่รู้ตัวนะเพื่อนปล่อยใจให้จมอยู่ในความเศร้าอัตมาเคยเคยคุยในที่นี้แล้วนะว่าเวลาเวลาเราเศร้าเนี่ยเราชอบฟังเพลงอะไรชอบฟังเพลงร็อกก็ว่ะเราชอบฟังเพลงเศรา้าใช่ไหม เวลาเราเศร้าเลยจมอยู่ในความเศร้าใช่ไหมเพื่อนสมาคนหนึ่งนะได้จดหมายจากเพื่อนชายที่เธอมีใจให้แต่เขาไม่มีใจให้เธอเธอนั่งซึมอยู่ที่บ้านซึมเศร้าป็เอิญเพื่อนแก๊งทั้งแก๊งเลยมาที่หน้าบ้านพอเรียกหน้าบ้านกดกรีนดั่วจะชวนไปเที่ยวพอเธอได้ยินัน้เธอฉุนยนะ ลืเงินใจเวลาจะสุขก็ออยังไม่สมหวังเวลาจะทุกข์ก็ยังมีคนมาขัดขวางอีกเวลาทุกข์องอยากจะอยากจะทุกข์ต่อไปอะ่ะคนที่คนที่ลืมคนที่คนที่เขารู้ตัวก็ทํทานี้ไหมเขาไม่ทําใช่ไหมไอคนที่ลืมตัวะถานที่มันทําเนี้คือขอขอทุกข์ต่อไปขอเศร้าต่อไปซึ่งมันไม่ไดีไม่ได้ดีตัวเองเลยใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีสติเมื่อไหร่นะมันจะช่วยทําให้ใจเราเนี่ยหลุดออกมาจากไอไอารมณ์แบบนี้ ทำให้เราไม่ทำร้ายตัวเองยังต้องฝึกต้องฝึกสติเอาไว้นะแต่ถ้าฝึกสติยังไม่พอหรือสติยังอ่อนก็อย่างที่ตะมาว่ายามพาตัวออกจากอารมณ์ที่มากระทบไม่ว่ามันจะมาทางตาทางหูแต่ถ้ามันมาทางใจนี่ก็ยากหน่ยนะเพราะว่าเด็ในิดไหนลุกไปไม่พ้นนะใจน้อยเนี่ยถ้ามันมาทางใจเรื่องมาอยู่ที่ลมหายใจที่ยังดีหายใจเข้าหรือหายใจออ ย, ย, ยาวก็ช่วยได้ครับคำถามถ้าต่อไปครับอาจารย์ เสียชีวิตจาก บ, บัติเหตุไม่รู้ตัวเกิดจกากกรรมใดและทำบุญอย่างไรของมึงจะส่งถึงครับคืออุบัติเหตุถ้ามันเกิดจากความประมาทนะอันนี้จะชัดแล้วเกิดจากการกระทาของตัวเองใช่ไหมและหลายครั้งอุบัติเหตุเกิดจากการความประมาทของตัวเองนะแต่แน่นอนอุบัติเหตุบางครั้งเนี่ยมันก็เกิดจากมีคนมาทาให้เนะช่นวิดีเดินมาแล้วก็รถกุ้มชนหรือว่า หินตกลงมากระแทกนะอันนี้ก็อธจบาไม่ได้ว่าเนี่ยเป็นเพราะเป็นเพราะกรรมในเดชะแต่ที่จริงมันต้องคิดอยู่ได้ว่าทําไมอะไรทําให้เราเดินไปตรงนั้นใช่ไหมเหมือนกับบอกว่ารถติดเนี่ยรถติดเพราะกรรมกรรมกาในเดชะเนี่ยผมพูดไม่ถูกเพราะว่าคุณก็ต้องคิดเลยว่าทําไมคุณพาตัวไปตรงนั้นอ่ะทําไมคุณไม่ไปที่อื่นอ่ไม่ไปเส้นอื่ น, นอ่ะการที่คุณเนี่ยนะไม่เลือกเส้น แล้วต you ่คุณเลือกเส้นนี้แล้วคุณก็ติดเนี่ยเขาก็ต้องโทษตัวเองนะว่าเป็นเพราะการทําในปัจจุบันไม่ใช่เพราะกรรมในอดีตใช่ไหมใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยมันเป็นที่ที่เราเลือกหรือว่าเราเลือกไปตรงนั้นเนี่ยการที่จะเลือกไปที่อื่นเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของกรรมที่เราทําในปัจจุบันด้วยนะคือต้องมีอัญญาใช่ไหมครับถัดต้องต่อไปการบริกรรมคำตรงกลับพุทโธ เวลาเดินจงกรมหน่าสมาธิหรือประกอบการเคลื่อนไหวจะเป็นการปฏิบัติตามที่ถูกอ้องไวเจ้าข่ามัอยู่ที่การวางใจนะคุณจะไม่พูดโทก็ได้หลวงพอพูดฐานโยเนี่ยนะตอนที่ทําเป็นเนรนะอนจาจารย์สอนให้พูดโทอ่ะแต่ถ้าพูดโทไม่ได้หลวก็ต้องนถึงแฟนแฟนน่นชื่อประยูนนึกทีไรองนึก็ึประยูนท่านทำยังไงทรานไฮะ ท่าก็ออกประดูนี่มาบริการเลยหายใจเข้าปราหายใจออกอ ย, ยู่หายใจเข้าปราออกยูสงบเลยนะอะคือเนี่ยคือแม่มันต้องพุโทโธคุณอยู่ที่ว่าคุณวางใจเป็นหรือเปล่าคุณถ้าคุณวางใจเป็นเนี่ยนะถึงแม้คุคณไม่รู้ว่านี่เป็นนี่เป็นการปฏิบัติคุณก็ได้ผลอ่อมาเพิ่องอัพเฟซบุ๊กขึ้นมามืชา้าเลยเรื่องเล่าเช้าวันพรานเนี่ยเรื่องตามอาพุโทโธนะมีใครได้รู้ว่าหรือเปล่า คือหลวงปู่บ้านเนี่ยนะมีความที่ท่านไปจา่าดิษเขาดอยแห่งในภาคเหนือคือเชียงใหม่สมัยนั้นเนี่ยไอปู่บ้านชาวเขาในจํานวนบ้า น, นยังไม่รู้จักพระรู้จักก็รู้แบบรู้จักแต่ทู้เพินท่านก็ไปท่านก็ไปปรับกฎกับอาจารย์เทศ น, นะที่ตอนตอนหลังถึงหลวงพุทเทศเนี่ยอยู่ ใ, นในลกล้ใกล้หมู่บ้าน เสร็จแล้วก็ไปบินธบัติเป็นินธบาติซึ่งไม่รู้นะครับวบินธบาตเนี่ยธบาตทําอะไรชาวขาวขาวมาธบัติเาทำอะไรหลวงปูกบ้านก็บอกว่าบินบาติข้าวข้าวอะไรข้าวสารหรือข้าวสุกเขาก็บอกว่าข้าวสุกแล้วเขาก็ให้แต่ข้าวสุกไม่ให้กลับมาด้วยแล้วกินแต่ข้าวสุกนะแต่วนี่ชาวบ้านจำนนเนี่ยราแวงว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยเป็นพวกเสือเย็นเสือเย็นคือพวกเสือสมิ่งที่จะมาคอยกัดตีมนุษย์ เราแวงก็ส่งคนมาเฝ้ามองนะว่ามีพฤติกรรมน่าสงสัยไหมก็เห็นท่านเนี่ยเดินจงกรมทั้งวันหรือไม่ก็นั่งสมาธิหลังจากที่ดูมาหลายวันแล้วก็เราว่าไม่มีอะไรน่ากลัวนะชาวเขามีภต่ควมสงสัยวันนี้ก็บุญ น, น่าชาวเขาเลยถามว่าผู้เจ้าเนี่ยเดินกลับไปกลับมาทำอะไรบางบอกว่ากลางกลางหาพุโทโธพุธโทโธหายแล้ว แล้วเรช่วยหาหนินะห า, าได้ไงอ่ะทั้งหมดเนี่ยก็ให้นึกในะเวลาเดินกลับไปกับเราให้นึกพุโทโธนานเท่าไหร่ห้าหรือยีิบนาที <S <S 2> <S 2> เขาก็เลยไปช่วยหาพุโทโธให้หลวงปู่มัน่นะหนาทั้งหมู่บ้านเลยนะบอกว่าสามสี่วันเท่านั้นแหละหัวนหน้าคนานั้นเนี่ยเกิดเป็นสมาธิสว่างหมดเลยนะแล้วก็ก็เลยแปกใจที่มาถามหลงปู่มัน่นหลวงปู่มั่นก็เลยแนะนําเพิ่มเติมไม่กี่วันนะเห็นวาลจิตของหลู่มัน่น เห็นวัตถุของคนอืน่คือเห็นเลยนะว่าชาวเขาเนี่ยนะเขาไม่รู้เลยว่าเนี่ยคือการบดินจนิตผูกเพราะว่านี่คือการทําสมาธิเขาตั้งใจจะแค่หาพุโทโธให้ลงผู ม, มั่นแต่เขาวางใจถูกใช่ไหมจิตก็เป็นสมาธิเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะเกิดความสงบด้วยแต่พอทำแล้วมันถูกเนี่ยมันก็ออกมาเป็นความสงบนะเป็นสมถะ การที่บางคนเนี่ยก็ตั้งใจจะปฏิบัติตั้งใจจะทำสมาธิมีความคาดหวังต้องการความสงบแต่วางใจไม่ถูกนะมันก็ไม่พบความสงบเพราะนั้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่อยากจะรนะว่าเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่อยู่ที่พิธีกรรมคุณไม่มีความรู้เรื่องพัฒ น, นาไจคุณก็พบความสงบได้คุณไม่ต้องเข้าใจเรื่องอริสัทธสคุณก็พบความสงบได้ถ้าคุณวางใจเป็นนะฮะเพราะนั่นเนี่ย จะพุดโทรหรือไม่พุโทโธจะประยูนนะก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าวางใจถูลนะมันก็เกิดความสงบครับคำถ า, าท่านเดินาทำวจ า, า, า, ว จ, าวจาการเก่าปิยวาจามีหลักปฏิบัติอย่างไรครับปิยวาจานี่มันเป็นหนึ่งในในหลักหรือคําว่าที่ชื่อว่าสังฆวัตถุสี่เนี่ยทางปิยวาจาอัตจฉริยะสมานนักตา ทั้งหมดนี้เนี่ยมีพื้นฐาน ม, มาจากใจก็คือเมตตาสังค ว, วัตถุสีเนี่ยจับคู่กับพรมวิหารสี่พรวิหารสี่คืออะไรเมตตาตูนนำวุฒิตาเดชขาใช่ไหมครัคนเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะเข้าใจรู้จักแต่พรมวิหารสีแต่ว่าลืมเรื่องสังค ว, วัตถุสี่ไปเพราะไม่ได้สอนนะสังพรมวิหารสีเรื่องการทํากิจสังค ว, วัตถุสี่เป็นเรื่องการทํากิจนะครับ เ น, นีคุณจะมีปิยาวาจาได้คุณต้องมีเมตตากรุณาเป็นพี้นฐานรวมทั้งมุทิตาอุเบกขาด้วยใช่ไหมมีตรงนี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องพูดให้เคราะห์จนใจเป็นเสียแซ่ใช่แต่ว่าออกมาจากใจจริงที่มีเมตตาจะพูดกัภาษาชาวบ้านก็ได้ไม่เป็นไรนะคำว่าปิยาวาจาเนี่ยวาจาเป็นที่รักเที่รักในในความหมายทื่ว่าเป็นคําสูาาานย์คาศนาดี เราหลุดทั้งเนื้อหาด้วยเนื้อหาก็คือเนื้อหาที่ดี mm hmm. เช่นให้คาแนะนําะครัไม่ใช่พูดเฆษณาแต่ว่าไพ่ร้อนนมันก็ไม่ใช่ปิยวาจา mm hmm. นะครับพ่อแม่ก็สามารถทํำปิยวาจาให้กับลูกได้นะ mm hmm. ก็คือว่ามีเมตตากับลูกแล้วก็พูดในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ครับต้องทํา้มต่อไปนะครับมีเพื่อนคนหนึ่งยืมเงินไปไม่ให้เป็นเวรกรรมหรือไมไ่ครับ เป็นอกรรมใครเรื่องกรรมเสืนของเราเออก็ไม่แน่แต่ที่แน่ๆเป็นเรกรรมคนนั้นแหละคนที่ที่ชักด่าไปอ๋อไปเนี่ยสร้างกรรมใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ใช้กรรมเสียชื่อเสียงไม่แล้รัความยอมรับหรือว่าอาจจะติดคุกถ้าเป็นเงินเยอะหรือว่าถ้าชาตินาเกิดมาเป็นมนุษยก็จะต้องเสีย มากจายดอกด้วยนะยืนน้อยอาจจะไปต้องจ่ายชาแนลเป็นมือนเป็นแายก็ได้นะไม่คุ้มเลยนะเพราะนั่นเนี่ยรีดจ่ายตอนนี้ดี ก, กว่านะตอบคําถามขั้นสุดท้าย น, นะครับถ้าเวทนาแก่กล้าเจ็บปวดมากแม้ว่าจะพยายามแยกกายและจ่าย ก, ก็ไม่สําเร็จพูดง่ายแต่ทํายากงั้นโดนอะไรทําให้เจ็บปวดแสบร้อนทานผิดก็อาจจะมีเค็ดหรือเทคนิคใหม่ครับ มันมีวิธีการหลายอย่างนะในการทำจิตเพื่อให้ไม่ถูกคล่องล้อด้วยทุกเวทนาเช่นการมองในแง่บวกนะอัตมาได้ฟังเรื่องราวของของพยาบาลคนหนึ่งอี่เป็นมะเร็งแล้วก็มะเร็งที่จะเป็นเนี่ย มันต้องใช้การรักษาที่แรงไม่อาจจะเป็นการใช้แสงการฉีดเคมโซึ่งส่วนใหญ่ร้อยท้งรอยจะแพ้แพ้อย่างหลักจนบางคนอาจจะเลิกเพิ่มเปินไปเลยแต่เธอเนี่ยพอผ่านการใช้แสงีโมเธอก็ไม่แพ้มากจนก็าสงสัยเธอทําได้อย่างไงมีดีอะไรเธอก็ต่อก็ก็ใช้คิดอย่างนี้ว่าเวลาใช้แสงก็เติมทีื่อการกาการรับแสงสว่าง เวลาได้รับเคมก็ลังคิดว่ากำลังได้รับน้ำทิ้งเดินมองนี่นี่คือแสงสว่านี่คือน้ำทิ้นะใจที่มันเป็นบวกต่อรังสีแล้วก็ยาเนี่ยมันทําให้ตาเนี่ยไม่เคยตอต้านเพราะการไม่ต่อต้านความแพ้เราน้อยลงนีวายนี้เนี่ยเป็นโรคสะเก็ดเงินสะเก็ดเงินเป็นแรงมากจนกระทัางต้องนอนอยู่บนใบต่อง แต่เธอไม่ค่อยได้กินยาแล้วก็ปวดเท่าไหร่<ะ>เธออยู่กับสเก็ดเงินได้เธออยู่กับเวชนาได้ทํายังไงนะเธอก็บอกว่าเนี่ยเธอก็เป็นคนชอบทำบุญนะเวลาทําบุญให้ก็บอกสเก็ดเงินว่าสเก็ดเงินถ้าเธอจะไปก็อย่าลืมเอาบุญกุศลไปด้วยนะแต่ถ้าเธอจะอยู่เธอต้องระวังนะเพราะยาที่เช่นกินมันแรงนะคือคือสเก็ดเงินเนี่ยคุยด้วยความรักความไม่ตายหนระ<ะ>ือไม่เกลียดสเก็ดเงินเลยนะ ความสุดเป็นบวกกับสกเก็อนเนเนี่ยมันทำให้ใจมันไม่ทุกข์มากกายมันปวดนะแต่ใจไม่ทุกข์ไงนะศรัทธามีศรัทธาในความดีที่ได้ทำก็ช่วยได้เยอะสวดมนต์มีสมาธิจับสิ่งที่สวดก็ทำให้ความเจ็บปวดลดน้อยลงนะ ม, มันมีหลายวิธีนะครับวอนที่สิหมแล้วป้าจ นี่เป็นคำถามนะเชินเินได้ใช่เกินเกินไปไหนก็ได้ครับมีพระอาจารย์บอกเกินก็เลยต้องขออนุญาตอาจารย์อยากให้พระอาจารย์อธิบายคาว่าวางจิตทาอย่างไรจะได้นาไปปฏิบัติเจ้าค่ะวางจิตมันเป็นความหมายที่กว้างนะเรว่าทาใจก็ไนดะ้แต่ว่าเวลาพูดคว่าทาใจเนี่ยมันมีความหมายทีแ่แคบเรวลงก็หมายถึงว่าทาใจคือทาใจยอมรับ แต่ใจมันมีความหมายมากกว่า น, นั้นนะพนูดง่ายก็มันก็คือเหมือนการฝึกจิตเช่นมีสตินะหรือมองแง่บวกนะหรือมองว่าเป็นธรรมดานะก็ได้หรือว่าการที่เราฝึกจิตจนเกิดปัญญาปล่อยวางได้วางจิตในบางทีขั้นสูงสุดการปล่อยวาง ปลอยวางอารมณ์ที่มากระทบหลายคนที่พูดเรื่องความเจ็บปวดความเจ็บปวดเนี่ยมันมีแต่าทาให้ทุกข์แต่ส่วนใหญ่พอเจอความเจ็บปวดหรือเกความปวดขึ้นมาเนี่ยไปยึดมันง่านเลยนะไปยึดมันหมดเลยในเวลาเราปวดปวดที่ท้องปวดที่ขาเนี่ยนะปวดหัวเนี่ยสังเกตว่าจิตมันไปมันไปจ้องมันไปเพ่งที่ตรงนั้นเลย แล้ยินจ้องมีงเพลยียงปวดนะตอนที่ไม่มีสติเนี่ยนะจิตมันจะไปยึดเอาเวทนาของกายมันเป็นเวทนาของใจเอกี้ธมาพูดวันเนี่ยให้จิตเป็นผู้ดูกายปวดยังไงใจแค่แค่ดูเฉยๆถ้าดูเฉยๆเนี่ยมันไม่ยึดแต่ส่วนใานี้จะยึดนะถ้าเราวางมันได้เนี่ยนะใจมันก็จะ ปกติการปวดปวดไปเหตุใจเนี่ยเป็นปกติหรือใจสบานะการวางใจเนี่ยหมายถึงตรงนี้ด้วยก็คือว่าใจเน่ปล่อยวางไม่ไปยึดเอาอารมณ์โดยเพราะอารมณ์ที่มันทําให้เกิดความทุกข์ความเศร้าเช่นความโกรธความเศร้าทุกขเวทนาความเจ็บความปวดความรู้สุกผิดนะพวกนี้เนี่ยมันต้องอาศัยการสุขจิตถึงจะวางใจได้ถูกใช่ไหมครับ วางใจนี่รวการรู้จักพิจรารณาไคล์ครวนด้วยนะเช่นเวลาเจอเหตุ ร, ร้ายเวลาเจอความทุกข์ก็ลองมองว่าเออมันสอนอะไรเรามันให้ทำอะไ ร, รกับเราใช่ไหมหรือมันเกิดขึ้นเพราะอะไรไอ้พวกนี้มันทําให้เราเกิดปัญญาทั้งนั้นหลยกนะารไคลครวนอย่างเนี้ก็เรียกอีกอย่างว่ากลวงยิสงสมแิการเพราะฉะนั้นคำว่าวางใจเนี่ยมันทาพูดรวมๆที่กว้างๆนะซึ่ง พูอง่ายคือว่าการรู้จักใช้ใจนะเพื่อให้เกิดเป็นกุศลนะโดยเพราะการปล่อยวางขอให้คำถามนะครับอาจารย์อย่ากไดนถามว่าอาจารย์ว่าในงานศพจะมีเห็หรือพานออกไม้จังมาให้เขาบอกว่าห้ามหยิบในการใ ห, หยิบเองไม่ทรามว่ามีเหตุผลอะไ ร, รอีกไม่หรือว่าทาตามตา ม, ตามกันมาหรืไม่ทราบเหตุผลเจ้าสัต ก็ทำตามตามตมานะแต่ตมาว่าหลายคนเขาก็ไม่ถือนะเขาก็จีบให้นะเดี๋ยวนี้มันมีพี่ิกรรมแบแปลกๆเยอนะอาจารย์ตมาชื่อว่าจิตใจจิตใจมากกว่าเราะฉะนั้นเนี่ย เ, เดี๋ยวนี้มันก็มีการคี่คนพี่จิกรรมแแปลก ๆ, ๆขึ้นมาแล้วก็ทําให้คนกลัวฆ่าปฏิบัติผิดนะที่จริงมันก็ อาจจะเสียลักะปร ะ, ประมาตย์ได้เราต้องระวังด้วยนะครับทํถาถทมกูกคงหมดแล้วนะครับถ้าท่านใดมีคำถามก็ไว้เดี๋ยวอโอกาสหน้านะครับเพราะพระอาจารก็เมตต า, าเรามัานครัม